คงจะไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่เคยได้ยินชื่อพระเดศพระคุณหลวงปู่แหวนสุจินโน่ท่านผู้ฟังหลวงปู่แหวนท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่16มกราคมปี2430โยมพ่อชื่อในใสายโยมแม่ชื่อนางแก้วนามสกุลรามสิริ ท่านเกิดที่บ้านนาโปง่งตำบลหนองในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อว่ายานครับเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ห้าขวบโยมแม่ก็เริ่มป่วยอาการก็มีแต่ทรงกับสุดเรื่อยๆโ ย, ยมแม่ได้รับเวทนาอยู่นานกระทั่งร่างกายอ่อนล้าหมดแรงจะต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็เรียกหลวงปู่แหวนเข้ามาหาท่านก็บอกว่าลูกเอย แมนะ่มีความยินดีที่ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่เกิดมาจากท้องแม่แล้วจะยินดีมากกว่านี้อีกถ้าลูกบวชให้แม่ถ้าลูกบวช แ, แล้วอย่าสึก่ อ, อกมานะลูกขอให้ตายกับผ้าเหลืองอย่าสึกมามีลูกมีเมียอีกเลยขณะนั้นแม้ว่าหลวงปู่แหวนจะยังเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ถ้อยคาของโยมแม่ก็ตราตรึงอยู่กับความทรงจาไม่เสื่อมคลาย พร้อมก็ตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นมาจะบวชเป็นพระเพื่อทำให้โยมแม่มีความสุขใจให้จงได้หลังจากนั้นไม่นานโยมแม่ก็สิ้นชีวิตอย่างสงบเป็นความวิปโยคโศกเศร้าที่สุดครั้งแรกของชีวิตหลังจากโยมแม่จากไปแล้วหลวงปู่แหวนก็มาอยู่ในความอุปการะของตากับยายต่อมาคือหนึ่งยายของท่านฝันว่าหลานกําพราแม่คนนี้นอนอยู่ในดงขมิน้น ผิวกายเหลืองอร่าม ง, งามจับตาเหลือเกินพอยายตื่นขึ้นก็เล่าความฝันให้หลวงปู่แหวนฟังแล้วก็ปรารบบอกว่าว่าศสนาของเจ้าคงจะได้บวชเรียนเป็นพระสงฆ์แน่ถ้าเจ้าได้บวชเมื่อไหร่ยายอยากให้เจ้าบวชไม่ศึกจะทำได้ไหมฮะหลวงปู่แหวนท่านก็บอกว่าได้ครับได้รับคาตอบจากหลานอย่างนี้ยายก็แสนที่จะดีใจ หลวงปู่แหวนมีญาติสนิทคนหนึ่งมีศักเป็นนาแล้วก็มีไว้ไล่เลี่ยครับท่านวันหนึ่งยายก็เรียกเด็กทั้งสองคนมาหาบอกว่าจะบวชเนนให้หลวงปู่แหวนกับน้าก็ยินดีตกลงบวชยายได้ขอสัญญาว่าเมื่อบวชแล้วอย่าสึกได้ไหมหลวงปู่แหวนกับนาชายก็รับคําหนักแน่นก็ทําให้ยายปลื้มปิติเหลือเกินต่อมายายก็จัดให้มีพิธีบับปชาให้หลวงปู่แหวนและนาเป็นสามเณร ขณะนั้นหลวงปู่แหวนอายุได้เก้าขวบแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากยานมาเป็นแหวนหลังจากบวชเป็นสมมามเณรได้สองเดือนสมมามเณรนาฉายก็เกิดอาภาตหนักและมรณนนภาพในที่สุดก็ทําให้สมมามเณรแหวนนี่สลดเสียใจเป็นที่สุดเพราะว่าเนรนากับท่า น, นสนิทกันมาตั้งแต่เล็กกินนอนด้วยกันเล่นด้วยกันมาตลอดเมื่อเนรนามาพลัดพรากจากไปอย่างนี้ก็ย่อมจะทําให้ท่านเสียใจเหลือเกิน แล้วก็ทำให้ท่านมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์เป็นครั้งแรกวันที่ยายมารับศพเนหนาไปชาปนกิจท่านได้ถามย้ำเนนแหวนอีกว่าเนนจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองอย่างนี้ได้ไหมเนนแหวนก็รับคำยืนยันว่าจะบวชไม่ศึกเหมือนเดิมการบวชเป็นเนนที่วัดโพชัยนั้นไม่มีหลักฐานว่าหลวงปู่แหวนได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะสมัยนั้นการศึกษาเล่าเรียนยังไม่แพร่หลาย จนกระทั่งพระอาจารย์อ้วนผู้มีศักดิ์เป็นอาได้พาเนนแหวนเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษามูลับมูลกระจายโดยฝากไว้กับพระอาจารย์สิงขันตยาคโมสิทธิ์องค์สำคัญองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเวลานั้นพระอาจารย์สิงห์อยู่ที่วัดบ้านสร้างถออำอเภอเกษมสีมาจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่พระอาจารย์อ้วนพาสมณเนรแหวน เดินฝ่าเปลวแดดตรงเข้ามาพระอาจารย์สิงห์ท่านกําลังเตรียมตัวจะไปสงนำท่านมองเห็นแสงโอภาษรัศมีของเนรน้อยที่กําลังเดินตรงเข้ามาลักษณะการอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดพระอาจารย์สิงห์เห็นอย่างนั้นก็รู้ด้วยญาณว่าเนรน้อยที่เห็นเนี่ยมีบุญบา ร, รมีในทางธรรม ต่อไปในภายภาคหน้าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดท่านก็เลยหยุดการส่งน้ำไว้ก่อนหยิบอีวอนมาครองให้เรียบร้อยนั่งรอพระภิกษุและสา ม, มนเณนรคู่นั่นที่หน้ากุฏิพระอ้วนและเนนแหวนมาถึงกุฏิพระอาจารย์สิงห์เห็นพระอาจารย์นั่งอยู่ก็กราบนมัสการแล้วพระอ้วนก็แนะนำตัวกับเนนหลานชายแล้วก็บอกจุดประสงค์ที่นาเนนแหวนมาฝากไว้กับพระอาจารย์สิงห์เพื่อจะให้ศึกษาเล่าเรียน พร้อมกันนั้นได้เล่าประวัติเนนแหวนให้ท่านทราบ พ, พอสังเกตว่าบวชเป็นเนนมาแล้วสองภาษาที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งจังหวัดเลยเวลานี้อายุได้สิบสี่ปีเคยเล่าเรียนนักธรรมมาจากวัดเดิมบ้างแล้วพระอาจารย์สิงห์ท่านก็พิจารณาลักษณะของเนนแหวนว่าผิดว่าเนนเด็กวัยเดียวกันพระอาจารย์สิงห์ถึงกับรำพึงว่านี่คือช้างเผือกเกิดในป่าแน่แล้ว ท่านก็ยินดีรับเนรแหวนไว้ในอุปการะตั้งแต่บัดนั้นวัดสร้างทอหัวตะพานซึ่งมีพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอาจารย์ใหญ่มีพระเนรมาเรียนพระปริยติธรรมประมาณเจ็ดสิบวรูปเนรแหวนก็ตั้งใจเล่าเรียนตามที่ตั้งใจมาแต่ว่าปฏิปทาของเนรแหวนนี่ฝักไฝ่ไปในแนวทางกรรมฐานยังเห็นได้ชัดแต่ละวันจะปลี่ตัวจากหมู่พวกไปอยู่ตามลาพังถือเคร่งในพระธรรมวินยัยพูดน้อย ไม่พูดสนุกสนานเฮฮากับหมู่มักจะนั่งพิจารณาธรรมชาติแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเงียบๆพระอาจารย์สิงห์ก็เลยแนะนำกรรมาฐานไปปฏิบัติเป็นพื้นฐานพร้อมกันนั้นยังสอนด้านสยเวทพุทธาคมให้อีกด้วยโดยชีย้แจงเหตุผลให้ฟังว่าวิชาพวกนี้เป็นโลกียวิชาเท่านั้นไม่ใช่วิชาอันประเสริฐสามารถทาให้ขลังก็ได้เสื่อมก็ได้ไม่คงทนถาวรแต่การเรียนรู้เอาไว้เป็นการดี ประการหนึ่งก็คือเอามาช่วยสงเคราะห์ญาติโยมชาวบ้านเมื่อเขาได้รับความทุกเวทนาแล้วก็ไม่สามารถจะหาทางปัดเป่าผ่อนคลายได้ด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นคนที่ถูกของถูกทาด้วยคุณไสยต่างๆถูกผีเข้าวิญญาณร้ายสิงหรือว่าถูกอาถรรพ์อุบาทแล้วโดยนัยะเดียวกันหากบาเพ็ญเพียรกรรมาฐานจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้ฌานสมาบัติได้อภิญญาวิชาสายศาสตร์นี้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ เพียงแต่นึกอธิษฐานจิตน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปัดเป่าถอนคลายก็จะสำเร็จประโยชน์ทุกประการเนรแหวนก็น้อมรับการสั่งสอนจากพระอาจารย์สิงห์ด้วยความยินดีเต็มใจแล้วเนรแหวนก็สามารถถ่ายทอดวิชาไสยเวทวิทยาคมจนบรรลุถึงขั้นใช้ประโยชน์ได้บ่อยครั้งที่พระอาจารย์สิงห์มอบภาระผ่อนคลายทุกให้แก่ญาติโยมชาวบ้านแทนท่านด้วยการให้รถน้ำมนต์อยู่เสมอ แต่ปฏิปทาอันแท้จริงของเนนแหวนไม่ยินดีในทางที่จะเป็นเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมไม่สนใจในลาบสักการะใดๆแต่มุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งในทางวิมุตติธรรมเท่านั้นเมื่อเนนแหวนอายุครบบวชพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์หลีเจ้าอาวาสวัดสร้างทอก็ทำพิธีบวชให้เป็นพระภิกษุได้ไม่นานพระภิกษุอ้วนซึ่งเป็นอารก็เดินทางมารับตัวกลับ กลับไปจำพรรสาที่วัดโพชัยบ้านนาโปง่งริมฝั่งแม่น้ำํำที่เป็นบ้านเกิดที่จังหวัดเลยกลับไปถึงวัดโพชัยเข้าไปกราบหลวงปู่คํามาซึ่งเป็นพระอุปชากราบพระประธานในโบสถ์แล้วก็ไม่ยอมทํานักในวัดแต่ว่าไปพักที่โคนต้นไม้ในป่าช้าใกล้ๆหมู่บ้านด้วยเวลานั้นจิตใจของพระแหวนฝักใฝ่ไปสู่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างแรงกล้า ไม่ต้องการจะคลุกคลีกับคนหมู่มากไม่อยากวุ่นวายเป็นไปกับทางโลกกล่าวได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการออกจากริกรุดงเพื่อทําความเพียรอย่างจริงจังแม้ว่าจะยึดเอาโคนไม้เป็นที่พักอาศัยเพื่อความสงบแต่ญาติโยมร่วมหมู่บ้านก็ไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสงบก็แวะเวียนเข้ามาชวนพูดชวนคุยตามระษาะอยากรู้อยากเห็นแบบชาวโลกท่านก็เลยตัดสินใจจะออกทุดงเพียงลาพัง ก็ไปขออนุญาตหลวงอาอ้วนแล้วก็หลวงปู่คํามาซึ่งเป็นพระอุปชาตอนแรกก็ได้รับการคัดค้านไม่เห็นดีด้วยท่านทั้งสองชี้ให้เห็นถึงความอดอยากลำบากต่างๆนานาขณะทุดงแต่พระแหวนก็ยืนยันความตั้งใจไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดก็ได้รับอนุญาตตามประสงค์นับแต่นั้นพระแหวนก็กระทําตนเป็นอนาคาริกเป็นผู้ไม่มีอาคารบ้านเรือนตัดขาดจากทางโลกโดยเด็ดขาด ไม่มีวัดวาอารามเป็นที่พำนักพึ่งพาโคนต้นไม้เถือนถ้ำเงื่อมหินเป็นที่อยู่ที่อาศัยร่อนเร่เที่ยวไปในดินแดนสงบสงัดเพื่อปฏิบัติธรรมทําความเพียรเป็นสําคัญในเวลาเดียวกันนั้นพระอาจารย์สิงห์ก็ได้รับนิมนต์จากท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระให้ไปจำมรรษาที่วัดเลียบอํเาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยสอนบาลีธรรมแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกขณะ ขณะที่พระอาจารย์สิงห์อยู่ที่วัดเรียบพระอาจารย์มั่นกลับจากทุดงฝั่งลาวก็มาเยี่ยมท่านพระอาจารย์เสาพระอาจารย์สิงห์ก็มีโอกาสได้พบปะสนทนากับพระอาจารย์มั่นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและข้อวัดปฏิบัติของท่านก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ติดตามออกทุดงไปพร้อมกับท่านเพื่อบาเพ็ญธรรมสาหรับพระแหวนนั้นท่านเที่ยวทุดงไปเพียงลาพัง ร่างกายและจิตใจเคี่ยวกรำต่อความยากลำบากนานาประการจึงกระทั่งกลายเป็นปกติยิ่งอดอยากลำบากเท่าไหร่ก็ยิ่งขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงเท่านั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็ค่อยๆผุดขึ้นมาทีละข้อทีละข้อเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาก็เห็นจริงระหว่างท่องเที่ยวทุดงอยู่นั้นก็มีโอกาสพบพระทุดงจากสำนักอื่นๆเป็นบางครั้งเมื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในทางธรรมต่อกันพอสมควรก็แยกย้ายกันไป พระธุดงส่วนมากมักจะเป็นสิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อได้ยินคำสรรเสริญยกย่องในศีลาจรจาวัตอันเคร่งครัดของหลวงปู่มั่นพระแหวนก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งก็ตั้งใจไว้ว่าจะติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นให้พบเพื่อถวายตัวเป็นสิทธิ์ให้จงได้แต่ว่าทิศ ท, ทางร่องรอยเส้นทางทุดง์ของพระอาจารย์มั่นนั้นไม่แน่ชัดเพราะท่านท่องเที่ยวไม่เป็นที่แน่นอนกระนั้น พระแหวนก็พยายามตามหาเรื่อยมาขณะที่พระแหวนปักปรดลุกขมูลใต้ร่มไม้กลางป่ากูพานมีพระธุดองรูปหนึ่งจาริกผ่านมาพระธุดองรูปนี้มีไวัยไล่เลี่ยกันชื่อพระตื้ออัจฉร ะ, ะธรรมโมมาจากสำนักวัดบ้านคาจังหวัดนครพนมเมื่อพระธุดงองทั้งสองได้พบกันก็สนทนากันแล้วก็เป็นที่ถูกอัติยาศัยต่างองค์มีจุดประสงค์ตรงกันก็นกคือ ต้องการฝากตัวเป็นสิทธิ์พระจานทร์มั่นดังนั้นและแม้ว่าพระตื้อและพระแหวนต่างปรารถนาจะไปกราบนมาส ก, การพระจานทร์มั่นเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านจาริก ท, ทุดงไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะตามหาท่านได้ที่ไหนก็เลยตกลงกันว่าระหว่างที่ไม่ได้ร่องรอยของพระจานทร์มั่นก็จะวิเวกทุดงกันไปเรื่อยๆหากมีวาสนาก็คงจะได้เข้าเงื่อนของพระจานทร์มั่นว่าท่านอยู่ที่ไหนแน่ เมื่อนั้นจึงจะดันด้นไปกราบนมาส ก, การฝากตัวเป็นสิทธิ์พอตกลงกันอย่างนี้แล้วพระหนุ่มทั้งสองก็จะริกต่อไปแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะข้ามแม่น้ําโขงไปบําเพ็ญธรรมที่ฝั่งลาวดังนั้นทั้งสององค์ก็มุ่งหน้าสู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงไปถึงริมฝั่งแม่น้ําโขงที่กว้างใหญ่ก็ไม่เห็นเรือแพที่จะพาข้ามแม่น้ําแม้แต่ลําเดียว พระแหวนก็รู้สึกกังวลแต่ว่าพระตื้อท่านบอกว่าเดี๋ยวคอยสักประเดี๋ยวอีกไม่นานจะต้องมีเรือมารับข้ามฝั่งแน่ว่าแล้วพระตื้อก็นั่งลงหลับตาภาวนางเงียบๆอีกครู่หนึ่งต่อมาก็มีคนหาปลาพายเรือผ่านมาก็เห็นพระธุดงยืนอยู่ริมฝั่งน้ําก็เหวหัวเรือเข้ามาหานามนสการสอบถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนพระตื้อท่านก็บอกว่าต้องการจะข้ามแม่น้ําโขงไปฝั่งลาว คนหาปลาก็เลยนิมนต์ท่านลงเรือเขาจะพาข้ามไปให้คนหาปลาก็พายเรือพาพระทุดงตัดข้ามแม่น้โขงพาไปส่งฝั่งลาวทันทีระหว่างทางคนหาปลาก็เล่าว่าอยู่ดีๆเขารู้สึกกระวนกระวายคิดว่าน่าจะมีพระต้องการจะข้ามแม่น้ำก็เลยตัดสินใจพายเรือละอลัดเลา ะ, ะมาตามริมฝั่งก็มองหาพระในที่สุดก็เจอพระจริงๆคือพระตือ้อแพระแหวนนี่ พระตื้อท่านก็บอกว่าเป็นกุศลของโยมที่ช่วยอุปถัมภ์พระครั้งนี้แล้วก็พูดต่อไปอีกว่าอันที่จริงโยมควรจะเปลี่ยนอาชีพจากการหาปลาขายกลับไปทําไร่ทํานาจะดีกว่าเพราะว่าอาชีพจับปลาเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นยิ่งทําไปนานวันมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเพิ่มบาปกรรมให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นคนหาปลารับฟังแล้วก็นิ่งเสียกระทั่งพาเรือข้ามมาถึงฝั่งลาวพระแหวนพระตื้อก็ขึ้นฟัง แล้วก็อํานวยอวยพรให้แก่คนหาปลาก่อนที่ท่านจะเดินหายเข้าไปในพงไม้สําหรับคนหาปลาคนนี้ต่อมาเลิกหาปลาแล้วก็หันไปค้าขายปรากฏว่าชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนมีฐานะอันมีอันจะกินมีโอกาสได้ช่วยสร้างวัดสร้างวาหลายวัดกุศลที่เกื้อนหนุนให้คนหาปลาเจริญรุ่งเรืองคงเป็นอนิสงส์ที่อาสาช่วยพระพิษุทรงศีลบริสุทธิ์ให้สําเร็จตามประสงค์ประการหนึ่ง แล้วอีกประการหนึ่งก็คงเนื่องจากวางมือเลิกหาปลายอย่างเด็ดขาดเป็นการตัดขาดจากการทำบาปทั้งปวงตั้งแต่นั้นด้วยปัจจัยกุศลสองอย่างนี้ก็เกื้อหนุนให้เขาได้รับความสุขความสบายตามสมควรประเทศลาวสมัยนั้นยังอุดมด้วยป่าไม้หนาแน่นตามธรรมชาติการตัดไม้ทําลายป่ามีน้อยไม่ทำกันแบบล้างผลาญป่าไม้ให้หมดจากแผ่นดินเหมือนกับยุคปัจจุบัน แล้วก็พื้นที่ว่างเปล่ามีมากก็ทำให้ราษฎรลาวไม่จําเป็นจะต้องบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเพื่อจะเอามาทำเป็นนาเป็นไรภูมิประเทศทั่วไปก็คงความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่อันรื่นรมของพระทุดงกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งพระแหวนและพระตื้อก็ตั้งใจจะบเาเพ็ญธรรมที่สุวรรณเขตท่านก็เลยมุ่งหน้าไปทางนั้น การเดินในวันแรกบนแผ่นดินลาวต้องหยุดพักเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ยามเย็นพระหนุ่มทั้งสองก็ปักกรดลุกขมูลใต้ร่มไม้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งปฏิบัติกิจแห่งสมณะเป็นปกติซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติมาโดยตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นก็อาศัยบินธบาตจากหมู่บ้านเล็กๆมีไม่กี่หลังคาเรือนที่อยู่ไม่ไกลชาวบ้านไม่เคยพบเห็นพระธุดงมานานต่างก็ดีใจเอาข้าวปั้นแล้วก็อาหารตามมีตามได้มาใส่บาท แล้วนมัส ก, การเรียนถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนพระตื้อตอบว่าจะข้ามเทือกเขาใหญ่ไปอีกฟากหนึ่งจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปทางสุวรรณเขตโยมชาวลาวได้ยินอย่างนั้นก็มีสีหน้าวิตกหก่วงใ่ขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าพระกุณเจ้าอย่าได้เดินข้ามเทือกเขาลูกนั้นเลยเพราะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ยอมเสียเวลาวกอ้อมเทือกทิวภูเขาดังกล่าวไปจะดีกวา่า พระตื้อก็ถามว่าที่ว่ามีอันตรายแอบแฝงเป็นอันตรายยังไงให้โยมโยมก็บอกว่าบนเทือกเขานะ่มียักษ์ร้ายอาศัยอยู่มันจ้องจะทำร้ายคนที่ล่วงล้าเข้าไปในเขตของมันมีคนเคยไปพบมันแล้วก็เกิดความหวาดกลัวจนเสียสติเพ้อคลั่งกลายเป็นคนวิกลจริตมาหลายรายแล้วบางรายก็ขึ้นบนภูเขาแล้วก็หายสาบสูญไปไม่กลับมาก็เชื่อว่าคงจะไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้ว ชาวบ้านแถบเนี้ไม่มีใครยอมย่างกรายขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นอย่างเด็ดขาดพระตื่นกับพระแหวนรับฟังชาวบ้านแล้วก็กล่าวขอบใจที่มีความห่วงใยต่อท่านทั้งสองท่านก็ไม่ได้โต้ตอบว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อรับบาดแล้วก็เดินกลับมายัางที่พักก็ทําพัฒกิจด้วยความสํารวมเสร็จแล้วก็เก็บบริขารพากันเดินต่อไปโดยไม่ได้เลี่ยงหลบหรือว่าวกอ้อมภูเขาใหญ่ตามคําแนะนําจากโยมผู้หวังดี แต่ว่ามุ่งหน้าข้ามเขาใหญ่เบื้องหน้าไปตรงๆการกระทําของพระทุดงนุ่มทั้งสองรูปไม่ได้เป็นไปด้วยความอวดดีหรือทรนงว่าตัวแกล้กลามีวิชาดีไม่กลัวใครหากเป็นไปโดยตั้งอยู่ในสติไม่เชื่อในข่าวลือบอกเล่าขณะเดียวกันก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ย, ยินดีเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วยอุเบกขาและยึดมั่นอยู่ในธรรมะเป็นสําคัญพระตื้อกับพระแหวนก็พากันเดินขึ้นภูเขาลูกนั้นไปด้วยกัน ทุกอย่างก้าวมีสติควบคุมอิริยาบถตลอดเวลายิ่งไต่สูงขึ้นไปก็เริ่มพบเห็นภาวะสิ่งผิดปกติของธรรมชาติแห่งป่าเขาทั่วไปนั่นก็คือป่าที่ผ่านไปนั้นช่างเงียบเชียบอย่างไม่น่าเป็นไปได้เสียงนกร้องก็ไม่มีเสียงสัตว์เล็กๆแววมาให้ได้ยินก็ไม่มีคล้ายกับเป็นป่าเปลี่ยวร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตที่จะมาอาศัยอยู่ ผ่านลำห้วยแต่ละแห่งก็ยิ่งแปลกใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหล่านี้ปกติเนี่ยมัมนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยดื่มหล่อเลี้ยงชีวิตของสัมสัตว์ทั้งหลายในป่าแต่เท่าที่ท่านเห็นปรากฏว่าดินอ่อนๆตามขอบห้วยนี้ไม่มีรอยเท้าสัตว์ชนิดไหนเหยียบย่ำประทับเอาไว้เลยเหมือนกับสัตว์ป่าบนภูเขาสูงนี่หายสาบสูญไปหมดสิน้น หรือว่าสัตว์ป่านี้มันอาจจะหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างก็อพยพทิ้งถิ่นไม่ยอมอยู่ในบริเวณนี้แม้ว่าจะผิดสังเกตจนทำให้สงสัยและแปลกใจแต่พระแหวนกับพระตื้อก็ไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกมาคงวางเฉยสงบนิ่งก้มหน้าย่าเดินต่อไปตามทิศ ท, ทางเดิมเพื่อที่จะข้ามเขาใหญ่ให้ได้แต่ว่าเส้นทางบนเขาสูงไม่ได้ราบเรียบสะดวกสบายอย่างข้างล่างบางแห่งนี้มันรกเรือหนาทึบ เป็นละเมะไม้บางแห่งก็มีพงหนามขวางกัน้นก็ต้องหาทางวกอ้อมหลีกหนีบางแห่งก็สูงชันจําเป็นต้องปีนป่ายข้ามไปได้ความยากลําบากแต่กระนั้นพระธุดงทั้งสองรูปก็รุดหน้าไปถึงสันเขาด้านบนจนได้แต่เวลาในวันนั้นก็หมดไปเนื่องจากอากาศเวลาช่วงนั้นมันเย็นมากการจะข้ามเทือกเขาไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทําไม่ได้เสียแล้ว พระแหวนกับพระตื้อก็มองหาที่พักชั่วคราวค่ำคืนที่จะมาถึงในไม่ช้าในที่สุดก็มาเจอลำธารเล็กๆบนฝั่งธารเป็นที่ราบพออาศัยปักหลอดได้ก็เลยยึดเอาสถานที่นั้นเป็นที่พักก็ปลดบริขารลงจากไหลแล้วก็แยกย้ายกันปักหลอดโดยรักษาระยะห่างระหว่างกรดสองกรดประมาณ1ิบวาจากนั้นก็ส่ง น, น้ำในลาธารจนร่างกายสะอาดสบายคลายจากความอ่อนเพลีย เวลานั้นแสงตะวันรับเหลี่ยมเขาไปแล้วความมืดของราตรีเริ่มครอบคลุมลงมาครองโลกอีกวาระหนึ่งพระทุดงสองรูปก็สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นตามกิจจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าที่ภาวนาจเจริญสมาธิในกรดของตัวเวลาล่วงเลยไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มพระแหวนก็ลุกจากกรดออกไปเดินจงกรมที่ริมฝั่งธานที่เป็นที่ราบโล่งพอสมควร สักครู่พระตื้อเขออกจากกรดบ้างมาเดินจงกรมที่บริเวณหน้ากรดโดยสถานที่นั้นเป็นบริเวณเตียนโล่งก็ทําให้มองเห็นกันได้พระตื้อท่านก็นบอกว่าป่าเนี่วิเวกผิดปกตินะท่านแหวนพระแหวนท่านก็นกนบอกว่าอืมคำเดียวแสดงว่าพระธุดงคสอ ง, ององค์นี่สัมผัสกับความผิดปกติบางอย่างของป่านี้ได้เหมือนๆกันจึงได้ออกมาจากกรด เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งซึ่งยังคาดเดาไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรพระแหวนกับพระตื้อแม้ว่าจะเป็นพระหนุ่มแต่ว่าพื้นฐานจิตใจเป็นผู้มีความเข้มแข็งไม่หวาดหวั่นต่อภาวะอะไรง่ายๆทั้งยังฝึกจิตด้วยธรรมะมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงไม่พัฒนพึงกับสิ่งที่จะมากระทบซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เสร็จแล้วเวลานั้นก็ปรากฏเสียงกรีรดร้องโหยหวนดังกล้องมาจากป่าลึกเสียงนั้นเย็นเยียบและบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปพอได้ยินเสียงอย่างนี้คงไม่อาจจะควบคุมสติได้แน่แต่สําหรับพระธุดงหนุ่มสองรูปซึ่งผ่านการควบคุมสติมาตลอดเวลาพอได้ยินเสียงอันน่ากลัวมากระทบที่แรกก็วูบไหวไ ป, ไปชั่วขณะจิตแต่ก็สามารถดํารงสติให้วางเฉยต่อเสียงที่มากระทบได้อย่างรวดเร็ว พระตื้อก็ถามบอกว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมผมกําลังฟังอยู่เสียงอันเสียดสยองความรู้สึกยังกรีดก้องอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกจะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงนั้นกําลังเคลื่อนเข้ามาหาพระธุดงคสองรูปนี้แต่พระแหวนกับพระตื้อก็ยังคงเดินจงกรมต่อไปตามปกติกําหนดสติให้รับรู้อิริยาบถยกย่างเหยียบเพียงอย่างเดียว ภาวะอื่นถูกตัดขาดออกไปเมื่อสับ ป, ประเสียงโหยหวนใกล้เข้ามาบรรยากาศสงบสงัดก็พลันวิปริตเกิดกระแสะลมปั่นป่วนอื้อเอีงอย่างฉับพลันต้นไม้พุ่มไม้ก็เอ็งลู่สายไม่เป็นซ้ำลมแรงที่ปั่นป่วนเหมือนจะกันโชคพัดเอากรดและบริขารให้ปลิวก ร, กระจายกระจายนอกจากกระแสะลมที่หือโหมเข้ามาอย่างผิดปกติกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็กระจายคลุ้งไปทั่วอนาบริเวณนั้น ตรงกึ่งกลางระหว่างกรดพระธุดงสองรูปที่แขวนอยู่ปรากฏ ร, ร่างร้ายของสัตว์ชนิดหนึ่งพลุดขึ้นมายืนตระหนั่งทำให้พระแหวนกับพระตื่อต้องหยุดเดินจงกรมแล้วหันไปดูสัตว์ตัวนั้นมีรูปอปละลักษณ์หน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือประมาณท่ามกลางความมืดสลัวของรัติการก็ยังมองเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ถนัดชัดเจน หัวเหมือนกับบัวควายมีเขางอกยาวออกมาทั้งสองข้างตาโปนถลนแดงกำแขนยาวระดินและทั่วตัวมีขนคลุมเป็นกระเซิงสัตว์ประหลาตัวนี้ยังแผ่ร้องไม่ขาดเสียงแต่ว่าเสียงนั้นถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นซุ้มเสียงที่แสดงถึงโศกะปริเวธนาที่บ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหลวงปู่แหวนท่านเล่าทีหลังว่าท่านไม่รู้สึก กลัวแต่ว่าขนลุกสู้ไว้ทั้งตัวเวลานั้นเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดทันทีที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นปรากฏร่างขึ้นลมพายุปันป่วนก็หายไปแสดงว่าภาวะผิดปกตินั้นเกิดจากฤทธิ์ของสัตว์ตัวนี้พระแหวนพระตื้อเห็นร่างอสุรกายตัวที่ว่ามาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งสองก็กำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปให้แกสัตว์นั้นโดยตรง เสียงคร่ำครวญหวยหวนเหมือนกับร้องไห้จากความทุกขเวทนาสาหัสค่อยๆแผ่วไปร่างนั้นก็สุดตัวลงนั่งคุกเข่าโยกตัวไปโยกตัวมาพลังเมตตาอันสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งพระทุดดงทรงศีลทั้งสองที่แผ่ให้ไปนั้นประหนึ่งเป็นพลังชุ่มเย็นอาบชโลมให้ผู้ตกอยู่ในความทุกขอันแสบร้อนแสนสาหัสผ่อนคลายพระตื้อเดินเข้าสมทบกับพระแหวนพอยืนคู่กันพระตื้อท่านก็บอกว่า เขาแบกบาปหามทุกอันมหันมาหาเราเพื่อหวังจะให้เราปลดทุกข์แก่เขาท่านแหวนเขาสเสวยกรรมอะไรเขาตายจากมนุษย์มาเป็นปีศาจเป็นอสุรกายแล้วเขาสร้างกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นอสุรกายท่านท่านถามก็ดูสิท่านกำหนดจิตถามก็าดูถามตรงๆงไม่ได้เหรอเขาเป็นกายวิญญาณอยู่ในภพภูมิตม่ำ สติความจำระลึกได้เลอะเลือนเพราะเขาเสวยทุกแผดเผาการถามทางสมาธิจิตจะทำให้เขาพอมีสติตอบได้พระแหวนก็เลยสํารวมจิตกำหนดสมาธิแล้วส่งคำถามไปยังอสุรกายตันนั้นว่าโยมโยมสร้างบาปกรรมอะไรไว้อะฮะถึงต้องมาเสวยทุกข์ด้วยวิบากมากมายอย่างนี้ขปเจ้าเมื่อมีชีวิตในโลก ลุ่มหลงในตัณหาความโลภอย่างหนักความโลภเป็นเหตุปัจจัยให้มาผุดเกิดเป็นปีศาจอสุรกายสเสวยมหันตทุกข์อยู่ในภูเขาลูกนี้หลายร้อยปีมาแล้วพระคุณเจ้าโปรดช่วยด้วยเถอะครับพระแหวนท่านก็ถอนจิตออกจากสมาธิก็รู้สึกเวทนาสงสารอสุรกายที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไง ด้วยระหนักว่าผลแห่งกรรมนะั้มันของใครของมันคนอื่นจะช่วยแบ่งเบาพอรอคลายกันนะั้นมันไม่ได้พระตื้อก็เหมือนกับอย่งรู้ความคิดของพระแหวนท่านก็กล่าวแนะนําขึ้นบอกว่าท่านแหวนเป็นผู้มีบา ร, รมีธรรมแสดงธรรมโปรดเขาก็คงช่วยบรรเทาทุกข์ลงได้บ้างนิมนต์นะครับพระแหวนก็แสดงพระธรรมเทศนาชี้ให้เห็นโทษภัยแห่งเหตุปัจจัยของกิเลสที่เผาล้นสัตว์โลกให้จมอยู่ในกองทุกข์ แล้วก็แนะนำให้เอาจิตของตัวออกจากอำนาจร้อยรัดจากกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นโดยตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรมอันควรปฏิบัติเป็นการแสดงธรรมสั้นๆที่ได้ใจความรัดกุ่มตรงประเด็นอสุรกายรับฟังเทศนาธรรมแล้วก็เหมือนจะเกิดสติพิจารณาเห็นความเป็นจริงแห่งทุกข์ที่เผารนตัวเองอยู่พอรู้แล้วเข้าใจแล้วความทุกข์ที่สมอยู่ก็ค่อยๆผ่อนคลายลง ร่างร้ายยกมือนมัสการพระธุดงทั้งสองรูปด้วยความปิติก่อนที่จะอันตรธานร่างหายไปพระแหวนพระตื้อต่างก็แยกย้ายกันไปทําความเพียรต่อไปอีกจนดึกดื่นค่นคืนจึงได้พักผ่อนนอนหลับอสุรกายบนเทือกเขาสูงเมืองลาวแห่งนี้ขณะมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์คงจะมีจิตใจมัวเมาในความโลภอย่างรุนแรงร้ายกาศ แล้วก็มีโทสะจริตแรงกล้าคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ทุกขณะจิตมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างเล่าร้อนอยู่ด้วยความมืดมัวจากกิเลสทั้งโลภทั้งโทสะความรู้สึกนึกคิดซึ่งอบรั่มด้วยรากเง่าแห่งอกุศลได้ฝังลงไปในจิตใจของเขาจนจมลึก ครั้นตายไปอาคุโสลกรรมนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยให้มาผลเกิดเป็นเปรตอสุรกายสิงสู่อยู่บนภูเขาสูงซึ่งน่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของตัวเปรตอสุรกายตนนี้คงจะวนเวียนอยู่บนเทือเขาด้วยความทุกข์ทรมานมานานแสนนานทุกข์ทรมานเพราะจิตใจที่ ร, ร่าเรอนด้วยกิเลส ข, ของตัวเผาอยู่ตลอดเวลาการปรากฏร่างแก่ผู้ที่ผ่านเข้ามาในเทือเขาสูง อาจจะเป็นไปด้วยความต้องการมาขอความช่วยเหลือให้ผ่อนคลายความทุกข์ให้แต่เนื่องจากรูปลักษณ์สรีระอันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่น่ารังเกยียจต่อสายตามนุษย์ผู้พบเห็นก็ตื่นตระหนกหนีหายไปจนหมดหรือว่าบางคนมีจิตใจอ่อนแอขาดสติก็คงช็อกตายคาที่กลายเป็นการสร้างบาปเวรทับถมเพิ่มพูนให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเชิงเขาจึงทักท้วงห้ามปราม ไม่ให้พระทุดงข้ามเทือกเขาลูกนี้ด้วยเข้าใจว่าพระทุดงจะถูกยักษ์อสุรกายกระทำร้ายจนกระทั่งถึงแก่ความตายส่วนสัมสัตว์ทั้งหลายที่หายเงียบไม่มาท่องเที่ยวหากินน้ำตามห้วยหนองในเขตนี้ก็อาจจะเนื่องจากอสุรกายที่มีกิเลสครอบงำฝังลึกในดวงใจคอยขับไล่ด้วยความหวงแหนในแหล่งน้ำต่าต่างก็ได้พระแหวนพระตื้อจึงสังเกตเห็นไม่มีร่องรอยเท้าสัตว์ปรากฏในริมห้วยชายหนอง ผลแห่งกรรมที่พระแหวนและพระตื้อได้ประสบพบเห็นคราวนี้เป็นภาวะที่น่าสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นพระแหวนกับพระตื้อก็จะริกทุดงต่อไปใช้เวลาเกือบวันเต็มๆจึงลงมาถึงเชิงเขาแล้วก็จำต้องปักกดพลักเพราะว่าเป็นเวลาเย็นพอดีอีกคืนนึงก็ผ่านไปจนถึงเช้าวันใหม่พระทุดงทั้งสองรูปก็ออกบินทบาทที่หมู่บ้านเล็กๆเชิงเขา ได้ข้าวเหนียวรูปรับปั้นเล็กๆแล้วก็น้ำตาลงบมาแว่นหนึ่งหลังจากนั้นกลับมาฉันแล้วก็เริ่มเดินทางต่อไปอีกวิถีทางของพระทุดงกรรมฐานที่จาริกไปยังต่างแดนเป็นไปด้วยความยากลำบากแม้ชาวลาวจะนับถือาศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าชาวบ้านนอกชนบทห่างไกลมักจะนับถือผีดังนั้นการใส่บาดพระจึงละเวน้นถ้าหากพระทุดงผ่านไปพบกับชุมชนนับถือผีนี่ ย่อมไม่มีอาหารขบฉันแน่ต้องทนอดทนหิวโหยจนกว่าจะพบว่าชาวลาวที่นับถือพระจึงจะมีคนใส่บาตรให้แต่พระทูดงกรรมฐานก็ไม่ได้กังวลในเรื่องอาหารขบฉันมีก็ฉันไม่มีก็อดแต่ว่าจิตใจจะต้องเบิกบานอยู่ในธรรมตลอดเวลามีความรู้เท่าทันต่อกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสามารถลดละกิเลสได้มากเท่าไหร่ความเย็นอกเย็นใจก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ประเทศลาวในสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติยังไม่ถูกลุกรานทาลายเช่นปัจจุบันพื้นที่อันเป็นลำเนาชนบทจึงคงสภาพของพงไพรเอาไว้ครบถ้วนพระแหวนกับพระตื้อเดินข้ามทุ่งข้ามนาชายป่าชายเขาเป็นเวลาห้าวันจนมาถึงป่าใหญ่ด้านทิศใต้ของแขวงคำม่น่นป่านี้เป็นโดงดิบไม่มีเส้นทางสัญจรของชาวบ้านป่าใช้ผ่านเข้าไป กล่าวได้ว่าเป็นป่าลึกหรือว่าป่ามืดซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งสัตว์ ร, ร้ายและอาถรรพ์ของพูดผีวิญญาณไายแต่พระธุดงทั้งสองรูป ก, ก็ไปนึกหวาดหวั่นพันพึงสิ่งใดเพราะว่าหากข้ามป่าใหญ่แห่งนี้ได้ก็จะทะลุสู่สุวรรณเขตอันเป็นจุดหมายปลายทางดังนั้นท่านทั้งสองก็ตัดสินใจบุกฝ่าเข้าไปย่างก้าวเดินหน้าเข้าสู่เขตดงดิบด้วยจิตที่ยึดมั่นในพระธรรม ผ่านความสงบสงัดของพงไพรเปลี่ยวร้างโดยยึดเอาทิศทางจากแสงตะวันเป็นสิ่งชีน้นําจากเช้าถึงเย็นที่พระทุดงด้านด้วอยู่กลางป่าจงกระทั่งตะวันรอนก็ยังมองไม่เห็นทางจะทะลุไปสู่อีกฟากของป่าพระแหวนพระตื้อก็จําต้องหยุดพักเวลานั้นราตรีกําลังจะมาถึงสถานที่พักของพระทูดงทั้งสองรูปคราวนี้เป็นเงื้อมผาอยู่ไม่ห่างจากลําห้วยเท่าไหรนัก ได้อาศัยน้ำใสไหลยเย็นในห้วยชาระสงร่างแล้วก็เอาน้ำใส่กามาเก็บไว้ฉันจากนั้นพระธุดงกรรมฐานก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็แยกย้ายเข้าที่ภาวนาในกรดซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มท่ามกลางความเงียบสงัดของพงไพรก็ปรากฏมีเสียงประหลาดกู่ร้องขึ้นมาไม่ไกลาจากที่ปากดของพระธุดงทั้งสองรูป เสียงก้อยก้อยก้อยดังรงมไปหมดพระตื่อท่านก็ร้องถามจากกรดบอกว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วเสียงอะไรเปิดกรดออกมาดูเองสิพระแหวนก็เปิดมุ้งกรดออกดูแต่มองไม่เห็นอะไรมันมืดเมื่อเสียงพระทุดดงพูดจาโตอตอบกันนั้นเสียงร้องก้อยก้อยก้อยนี่ก็หายเงียบไปอีกสักครู่ต่อมามันก็ร้องเหมือนเก่า แล้วก็มีคบไฟถูกจุดขึ้นเป็นสิบอันจากแสงคบไฟทำให้มองเห็นผู้ถือคบไฟและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงค่อนข้างชัดเจนคนเหล่านั้นเป็นผู้ชายรูปร่างแขะแกลนส่วนสูงไม่เกินเด็กอายุ1 4 1สบห้าเนี่ยผมเผ่าปล่อยรุงรังเป็นกระเซิงเสื้อผ้าไม่ใส่ร่างกายท่อนล่างมีเปลือกไม้ปกปิดอวัยวะเพศเอาไว้เท่านั้นะ จากลักษณะที่เห็นเนี่ยพอประเมินว่าน่าจะเป็นคนป่าไรอารยธรรมอย่างสิ้นเชิงแต่ละคนถืออาวุธที่เรียกกันว่าหน้าทึ่นคล้ายๆธนูแต่ว่าเล็กกว่าสบายาสะพายกระบอกไม้ภายใส่ลูกดอกเอาไว้พระตุดองสองรูปจะหนักว่าอันตรายจากคนป่าเหล่านี้มาถึงแล้วเพราะถ้ามาอย่างมิตก็คงจะปรากฏ ร, ร่างอย่างเปิดเผยในเวลากลางวันแต่กลับมากลางคืนแล้วยกกันมาทั้งห้าสิบกว่าคน พระแหวนกับพระตื้อซึ่งเข้าถึงธรรมระดับสูงอยู่แล้วแม้จะตกอยู่ในฐานะขับขันก็ไม่ตื่นตกใจก็คิดแต่เพียงว่าถ้าเป็นวิบากซึ่งเคยมีต่อกันกับคนป่าเหล่านี้ก็ยินดีพลีชีวิตให้ไปแต่โดยดีกรรมทั้งหลายซึ่งพัวพันกันมาจะได้สิ้นสุดยุติเสียทีแต่ถ้าไม่เคยมีวิบากต่อกันก็ขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บันดาลให้แคล้วคลาดรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ด้วยเถอด จากนั้นท่านก็สำรวมจิตเข้าสู่สมาธิอย่างแน่วแน่คนป่าพวกนี้ร้องก่อยก่อยประสานเสียงกันดังระงมไปทั้งราวป่าแล้วก็บีบวงล้อมใกล้เข้ามาจืกระทั่งได้ระยะแม่นยำของอาวุธคล้ายธนูพวกมันก็ระดมยิงลูกดอกอาบยางน่องหรือว่ายาพิษเข้ามายังกรดของพระทุดงเป็นจุดเดียวแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ลูกดอกอาบยาพิษเหล่านี้กลับไม่มีดอกไหนพุ่งเข้ามากระทบมุ้งกรดแต่ตกเกลื่อนกาดอยู่ห่างจากมุ้งกรด โดยรอบคนป่าเหล่านี้ก็เขยื้อเขามาใกล้แล้วก็ยิงอีกแต่ว่าลูกดอกก็ร่วงลนในที่เดิมโดยรอบกรดปลดเหมือนจะมีกำแพงโปร่งใสล้อมรอบป้องกันเอาไว้คราวนี้พวกคนป่าก็ส่งเสียงอื้อเอิญด้วยความตื่นตกใจที่เห็นอาวุธของตัวทําอันตรายพระไม่ได้เสร็จแล้วต่างคนต่างวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าจนหมดตลอดคืนนั้นไม่ปรากฏว่ามีคนป่าเข้ามารบพวนพระแหวนพระตื้ออีกเลยเหตุการณ์เป็นปกติ จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นของวันใหม่เช้า ว, วันนั้นพระธุดงทั้งสองรูปก็สนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาพระตื่นมีความรอบรู้กว้างขวางก็เล่าให้พระแหวนฟังบอกว่าคนป่าที่เข้ามาจากช่วงจะทําร้ายหมายชีวิตเนี่ยเขาเรียกพวกข่าระแดมีความเป็นอยู่อย่างป่าเถืน่นเหมือนกับคนในอดีตการพวกนี้ไม่รู้จกักทําไร่ไถนาปลูกพืชพันธุ์อะไรอาศัยเลี้ยงชีปโดยการล่าสัตว์ สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เอามากินหากล่าสัตว์ไม่ได้ไปเจอคนพลัดหลงเข้าไปในป่าอันเป็นเขต ท, ที่อยู่อาศัยของพวกตัวพวกคาระแดก็จะฆ่าเสียแล้วก็เอาเนื้อมาแบ่งกันกินเรียกได้ว่าเป็นคนป่าเผากินคนที่น่าพรั่นพรึงทีเดียวพวกคาระแดในเป็นกลุ่มคนที่ป่าเถื่อนอย่างแท้จริงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งสิน้นดํารงชีวิตเหนือว่าสัตว์ป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเชื่อถือพูดผีปีศาจเป็นสาระ ดำรงชีวิตเช่นเดียวกับคนสมัยหินเป็นพวกอนาระยะชนอย่างแท้จริงที่หลงเหลืออยู่ในแผ่นดินลาวเป็นเผ่าสุดท้ายแล้วพระธุดงทั้งสองรูปก็เก็บอัฐบริขารเตรียมตัวเดินทางกันต่อไปแต่ยังไม่ทันจะเคลื่อนย้ายก็ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งโผล่ออกมาจากราวป่า คนกลุ่มนี้ก็คือพวกข่าระแด่นั่นเองแต่ว่าการมาคราวนี้พวกมันมีทีท่าไม่ไดแสดงความเป็นปฏิปัติต่อพระภิกษุทั้งสองทั้งยังออกอาการหวาดเกรงหวั่นกลัวอีกด้วยพระแหวนพระตื้อคงสำรวมกิริยาเป็นปกติจิตเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นมิตรต่อคนป่าเถื่อนเหมือนเดิมท่านทั้งสองก็ยืนสงบนิ่งวางเฉยตอนแรกแรกที่คนป่าข่าระแดเป็นชายทั้งหมดปรากฏตัว ยังแสดงอาการตื่นกลัวต่อพระทูดงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นพระทูดงไม่มีปฏิกริยาเป็นศัตรูด้วยพวกมันก็พูดกันด้วยภาษาป่าลงเล้งลงเล้งครู่หนึ่งคนเป็นหัวหน้าก็ทําใจกล้าเดินนําหน้ากลุ่มเข้ามาหาทุกคนตามมาเป็นพรวนพระทูดงท่านก็สังเกตดูเห็นพวกข่าระแเดมไม่ได้ถืออาวุธมาในลักษณะจะเข้ามาทําร้ายหากสภัยเขาเรียกหน้าทึ่นหรือหน้าไม้เนี่ยคล้ายๆธนูไว้บนไหล สมือถือผลไม้ป่าแล้วก็ก้อนเนื้อย่างมาด้วยแสดงว่าคนกลุ่มนี้มาอย่างมิตรพระแหวนพระตื้อก็สุดนั่งต้อนรับหัวหน้าคาระแดกลุ่มนี้มีอายุสูงวัยพอสมควรทั้งเนื้อทั้งตัวมีเปลือกไม้หอ่อหุ้มอวัยวะเพศเอาไว้เวท่านั้นและทุกคนในกลุ่มก็ล้วนแต่งตัวเหมือนกันเนื้อตัวสกรปรกมอมแแมมผมเป็นกระเซิงแสดงว่าคงไม่ได้อาบน้ําชำระร่างกายอยู่เป็นประจำละคนเป็นหัวหน้ายืนผลไม้ป่ามีกล้วยป่าแล้วก็ ผลไม้บางชนิดให้พระทุดงซึ่งท่านก็รับไว้ที่ไม่รับก็คือเนื้อย่างดิบๆสุกๆเพราะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนื้อไม่เหมาะสมสําหรับฉันเนื่องจากเผาไฟมายังดิบมากกว่าสุกพวกคาราแด้ได้บอกเล่าให้พระทุดงฟังพระตื้อท่านพอจะจับใจความภาษาพูดของคนเหล่านี้ได้บ้างก็ถ่ายทอดให้พระแหวนได้รับรู้อีกต่อหนึ่งได้ความว่าพวกคาราแด้ในยอมซิโรราไปแก่พระทุดงทั้งสองรูป โดยยกให้เป็นหมอผีใหญ่ซึ่งมีเวทมนต์มากเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถทําอันตรายได้หัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นหมอผีประจำเผ่าต้องการให้พระช่วยเหลือเมียของตัวซึ่งขณะนี้กำลังเจ็บป่วยเพราะถูกผีป่ากระทำแม้พระตื่กับพระแหวนจะรู้ว่าพวกคนป่าคาราแดนนี้เข้าใจผิดคิดว่าพระเป็นหมอผีแต่ก็ตรหนักว่ามันยากที่จะทาความเข้าใจกับคนป่าเถื่อนเหล่านี้ให้ถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น เมื่อพวกเขาเชื่อถือศรัท ธ, ธาต้องการให้ท่านช่วยเหลือตามความเชื่อของเขาก็คิดจะลองสงเคราะห์ด้วยความเมตตาดังนั้นพระธุดง์ทั้งสองก็ยินยอมตามพวกคารแดเหล่านี้เข้าไปยังหมู่บ้านของเขาหมู่บ้านคารแด น, นี้ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกที่พักอาศัยเป็นแค่เพิงมุงหลังคาด้วยใบไม้ข้างฝาก็ไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรในการดารงชีพหมอห้อไหถ้วยชามไม่มีสักอย่าง แสดงว่าพวกนี้ยังคีบโดยการล่าสัตว์เอามากินเนื้อหรือว่าหาผลไม้ป่าเอามากินเท่านั้นเองไม่มีการปลูกพืชทำไรอะไรทั้งสิน้นเป็นกลุ่มคนล่าหลังป่าเถื่อนอย่างแท้จริงในเพลิงที่พักของหมอผีหัวหน้าเผาเมียหัวหน้าเขาก็นอนซมอยู่ยังอยู่ในวัยสาวจากการมองดูอาการภายนอกพระธุดงก็พอจะรู้ว่าเจ็บป่วยด้วยไข้ป่าไม่ใช่เพราะถูกผีสางนางไม้อะไรทำหรอก พระแหวนกับพระตื้อไม่มียาติดตัวไปด้วยก็ไม่สามารถจะรักษาได้ถูกต้องแต่ในภาวะอย่างนี้สิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือยึดเอาพุทธบรมีเป็นที่พึ่งเท่านั้นพระตื้อก็บอกให้หัวหน้าเผาเอากระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำมาให้แล้วก็ขอร้องให้พระแหวนทำน้ำพระพุทธมนต์พระแหวนก็ทำให้โดยอธิษฐานจิตยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขออานาจพุทธบรมี องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดเมตตาอภิบาลต่อสัตว์โลกเหล่านี้ด้วยเถิดจากนั้นก็ให้หัวหน้าเผ่านำน้ำพุทธมนต์ไปให้เมียดื่มแล้วก็สั่งว่าให้ดื่มบ่อยๆอาศัยความเชื่อถือศรัทธาที่พวกคนป่าคาระแดให้ความเคารพเชื่อฟังพระตรอก็ถือโอกาสแสดงธรรมง่ายๆให้คนป่าเหล่านั้นมองเห็นโทษของการไล่ล่าคนมากินเนื้อแล้วก็สอนให้ยึดศีลห้านไปปฏิบัติ จากนั้นพระธุดองทั้งสองรูปก็อำลาพวกข่าระแดไปตามทางของท่านต่อไปในที่สุดพระแหวนกับพระตื้อก็เดินพ้นป่าใหญ่ทะลุเข้าสู่สุวรรณเขตตามที่ตั้งใจเอาไว้การเดินทางข้ามแดนสู่แผ่นดินลาวครั้งนี้เป็นไปเพื่อปฏิบัติวิเวกภาวนาโดยตรงพร้อมกันนั้นก็เพื่อชำระขัดเกลากิเลส ท, ที่สังสมอยู่ในจิตใจมานานหลายภพหลายชาติความอด อยากลำบากลำเค็นขณะจาริกอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางก็ทำให้ได้ตระหนักถึงความจริงแท้ของชีวิตมนุษย์และเมื่อน้อมเอาความจริงแท้เหล่านั้นมาเป็นข้อธรรมพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นภัยของวัตตะสงสารเป็นอย่างยิ่งทำให้เกิดมานะพยายามตัดขาดสายใยแห่งกิเลส ท, ทั้งหลายให้หมดไปหลังจากที่ท่านท่องเที่ยวตู้ดงในแผ่นดินลาวจนถึงเวลาใกล้จะเข้าพรรษา ทั้งพระแหวนและพระตื้อก็เดินทางหวนกลับประเทศไทยโดยมุ่งหน้ามาทางก อ, อกริกสาหรับเหตุการณ์รเผชิญวิญญาณซึ่งเป็นประสบการณ์ทุดงของพระแหวนกับพระตื้อที่เอามาเล่าครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่ท่านทั้งสองจาริกกลับคืนสู่ประเทศไทยทางกออกริกเมื่อถึงแผ่นดินไทยแล้วตอนนั้นท่านมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นอยู่เชียงใหม่ เส้นทางซึ่งพระธุดงทั้งสองจาริกผ่านไปโดยตลอดนี้ไม่พบหมู่บ้านหรือว่าผู้คนสัญจรแม้แต่คนเดียวระหว่างทางก็พบศาลาเก่าๆหลังหนึ่งปลูกสร้างอยู่กลางป่าแสดงว่าคงจะมีหมู่บ้านไม่ไกลนักศาลาหลังนี้ชาวบ้านคงจะปลูกสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางพระแหวนกับพระตื้อก็ตกลงพักอยู่ที่ศาลานี้โดยแขวนกรดไว้ตรงมุมศาลาคนละฟาก ค, คืนแรกก็ผ่านไปโดยปกติ เช้ารุ่งขึ้นท่านทั้งสองก็ออกโคจรบินทบาตไปที่หมู่บ้านพอได้อาหารก็กลับมาที่สลาพอวางบาทลงเท่านั้นก็เกิดเรื่องพระแหวนซึ่งนั่งอยู่บนพื้นสลามีกิริยาอาการผิดปกติขึ้นมาทันทีท่านเอ็นตัวไปข้างหน้าเอามือสองข้างยันพื้นกระดานไว้ขากไกลแข็งน้ำลายไหล ย, ยืดหน้าท้องก็แข็งไปหมดพระตื้อเห็นตอนแรกก็คิดว่าท่านเป็นลมก็ถามไปว่า ท่านแหวนเป็นอะไรอพระแหวนไม่ตอบได้แต่นั่งตัวแข็งน้ํำลายไหลไม่หยุดคราวนี้พระตื้อก็จุกคิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะคงไม่ได้การแน่ท่านก็กําหนดจิตเข้าสมาธิพิจารณาดูก็รู้ว่ามีผีบังอาจทำริษกับพระแหวนเมื่อถอนจิตออกจากสมาธิแล้วพระตื้อยังไม่รู้จะกําราบปราบผีด้วยวิธีไหนเนื่องจากขณะนั้นท่านกับพระแหวนยังฝึกจิตไม่ถึงขั้นมีอํานาจกล้าแข็งเท่าไหร่วิชาอาคมอะไรก็ไม่ได้เรียนมา แต่จะให้พระตื้อยอมพ่ายแพ้ต่ออิทริศพูดผีวิญญาณง่ายๆไม่ใช่วิสัยพระตื้อท่านก็คมคูด่าว่าผีที่กําลังทําต่อพระแหวนโดยไม่ยัง้งแต่ผีมันไม่กลัวท่านเอาซะเลยพระตื้อก็ต้องหาอุบายใหม่จัดแจงหอบใบไม้แห้งมากองไว้แล้วจุดไฟพอไฟลุกท่านก็เอาก้อนดินแห้งใส่เข้าไปเผาจนร้อนแล้วเอาไม้มาทําเป็นไม้หนีบขีบดินร้อนๆขึ้นมาเสร็จแล้วก็คูผีเสียงลั่นเจ้า คราวนี้ถ้าเองไม่ออกจากร่างพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เกรงกลัวบาปกรรม้วกูจะเผามึงยื่นไม้หนีบก้อนดินร้อนชาไปใกล้ๆหน้าพระแหวนเพื่อจะคมขู่ผีที่เข้าสิงแม่ผีมันก็ไม่กลัวนะขัดใจขึ้นมาพระตื้อไม่คิดแค่ขูแล้วจะเอาจริงๆถ้าไม่ออกนะกูจะเผามืองด้วยดินจีนี่ให้ดูว่าแล้วพระตื้อเอาดินเผาไฟร้อนชาวางบนศรีรษะพระแหวนจริงๆผีเจอเข้าแบบนี้ออกเลย พระแหวนถึงได้กระดุกกระดิกได้พอ ร, รู้ตัวเป็นปกติแล้วพระแหวนก็บอกแกเพื่อนสหธรรมมิกของท่านสั้นๆบอกว่าโอ้ยมันจะเอาผมตายจริงๆนะท่านตือ้อเช้าวันนั้นหลังจากล้างบาศเสร็จเรียบร้อยพระแหวนก็เก็บอัฐบริขารเพื่อออกจาริกต่อไปแต่พระตื้อไม่ยอมไปนะท่านบอกว่าท่านแหวนไปรอข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะจัดจานไอ้ผีตัวนี้สักหน่อย พระแหวนไม่ยอมอยู่ด้วยแล้วเก็บอัถรบริขารเสร็จก็เดินล่วงหน้าไปเพียงลําพังปล่อยอาจารย์ตื้อรับมือกับผีที่สาลากลางป่าแต่เพียงรูปเดียวตลอดวันนั้นพระตื้อนั่งเจริญสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่สารากลางป่าเป็นปกติกระทั่งเวลาล่วงเข้าตอนเย็นท่านก็ทําวัดสวดมนต์ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์จากนั้นก็เข้าที่ภาวนาภานอจิตเข้าสู่สมาธิตามลําดับพอจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวก็บังเกิดแสงโอภาสสว่างสวัยไปทั่ว ขณะอยู่ในสมาธิก็ได้เกิดนิมิตเห็นผีผู้หญิงผุดขึ้นมาทั้งเบื้องหน้าแล้วก็ผีตัวนั้นก็ดิ่งเข้ามาหาพระตื้อวิสัยพระตื้อท่านไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเมื่อเห็นผีตรงรีเข้ามาท่านกดเพลงจิตเข้าให้มันหยุดชะงักแล้วท่านก็ถามว่าแกมาจากไหนเ่ถึงได้กล้าล่วงเกินพระภิกษุผู้มีศีลมีธรรม ฉันตายทั้งกลมลูกตายในท้องก็ เ, เอามาฝังเอาไว้ที่นี่แล้วแกใช่ไหมที่ทําต่อพระภิกษุอ่ะใช่ทําไมบางอาจทําอย่างนั้นไม่รู้หรือ ว, ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมฉันชอบพระองค์นั้นฉันสวยดีฉันจะเอาพระองค์นั้นไปเป็นผัวพระตื่นได้ฟังแล้วเกิดความสลดสังเวชพิจารณาเห็นภัยแห่งกรรมกิเลส ซ, ซึ่งร้อยรัดมัดจิตใจของสัตว์โลกให้ตกตําดํามืดอยู่กับดํากิสนา ไม่รู้ดีรู้ชั่วถึงเพียงนี้รู้ขนาดผีตายทั้งกลมตายไปผุดไปเกิดอยู่ในภูมิซึ่งเป็นทุกข์ก็ยังไม่ไวจะเกิดอารมณ์ปฏิพัต์รักใคร่พระภิกษุที่ตัวพอใจอย่างหน้ามือตามวัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรทั้งสิน้นพระตื่เห็นหนางผีมีจิตอกุศลอย่างนี้ท่านก็บอกให้รู้ว่าเจตนาและการกระทาที่ล่วงเกินพระภิกษุผู้กาลังบาเพ็ญสมณธรรม เพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัตอย่างนี้เป็นบาปกรรมอันหนักตัวเองเป็นผีเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนาสาหัสอยู่แล้วยังอยากจะตกนรกหมกไหมหนักก็ไปกว่าเดิมอีกเหรอหลังจากชี้แจงแสดงเหตุผลให้เห็นถึงบาปบุญกุลโทษแล้วพระตื้อก็ให้ผีตายทั้งกลมนรับศีลไปปฏิบัติรักษาเพื่อจะได้มีโอกาสไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และนี่แหละคือพระตื้อแม้แต่ผีท่านก็ยังให้รับศีลจนได้ ผีตายทั้งกรมนางนี้หลังจากได้รับการอบรมจากพระตื้อมิจฉาทิฏฐิก็ผ่อนคลายลงก็เริ่มรู้ดีรู้ชั่วมากขึ้นกว่าเดิมผีสารภาพว่าไม่รู้ว่าพระแหวนเป็นพระเห็นท่านสวยผิวขาวผ่องใสก็เกิดนึกรักอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันแสดงว่าขณะที่ผีตัวนี้เป็นมนุษย์เนี่ยคงไม่รู้จักพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนบ้านป่าทินท่นเถือนห่นางไกลความเจริญอย่างแท้จริง พระตื้อพักอยู่ที่ศาลาแห่งนี้เป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเต็มๆ ต, ตลอดระยะเวลานั้นท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีตายทั้งกลมสม่ำเสมอแล้วก็สอนนางผีตัวนี้ให้รู้จักบาปบุญกุณโทษกระทั่งจิตบิญญาณอ่อนโยนลงครั้นเห็นผีเกิดกุศลความดีขึ้นในจิตพอสมควรแล้วท่านก็สอนให้เป็นครั้งสุดท้ายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอะนะ แกยองอย่าทำล่วงเกินพระธุดงที่ท่านจาริกผ่านมาเป็นอันขาดนะเห็นท่านพบท่านก็จงอนุโมทนาสงเคราะห์ทุกรูปทุกองค์ไปจากนั้นพระตื่อก็เก็บอัฐบริขารจาริกออกจากสาลากลางป่าติดตามพระแหวนไปที่เชียงใหม่เมื่อพบพระแหวนแล้วท่านทั้งสองก็พากันไปกราบนมัสการพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นจำมันสายอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ถวายตัวเป็นสิทธ์ท่านตั้งแต่บัดนั้น อีกภรษาหนึ่งหลวงปู่แหวนมีโอกาสจำภรษากับพระจันทร์มั่นที่บ้านนาหมีนายุงอยู่ในเขตอำเภอน้ m s สมจังหวัดอุดรธานีนาหมีนายุงแห่งนี้เป็นป่ามืดค ร, ครึ้มไปด้วยไม้ใหญ่น้อยชุกชุมด้วยสัตว์ป่าและไข่ป่าพื้นที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ไปจนจรดภูเขาบางส่วนติดแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการทาไร่ทานาเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าชาวบ้านในละแวกข้างเคียงไม่กล้าเข้าไปหักร้างถางพงเพราะว่ากลัวไข้ป่าและที่สําคัญจะกลัวพูดผีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งว่ากันว่าดุร้ายนักเคยมีคนเข้าไปตัดไม้มาใช้ประโยชน์ก็เกิดเจ็บป่วยล้มตายไปหลายคนชาวบ้านเชื่อว่าถูกผีทำตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครกล้าล่วงล้ําเข้าไปในพื้นที่นาหมีนายูงอีกการมีโอกาสจำมรนสากับพระอาจารย์มั่นทําให้หลวงปู่แหวนปรารบความเพียรอย่างเต็มที่ โดยมีพระอาจารย์มั่นควบคุมให้คำแนะนำอย่างละเอียดจากหนังสืออนุสร์หลวงปู่แหวนสุจิโนโท่านบันทึกไว้ว่าการแนะนำให้สิทธิ์ภาวานานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำอยู่เสมอว่าจะใช้บทพุทโธเป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสียแล้วพิจารณาร่างกาย ครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ32เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมแล้วเมื่อหายสงสัยในจุดที่พิจารณาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไปอย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกายเพราะว่าปัญญายังไม่แก่กล้าถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญแล้วถ้าเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหนึ่งความชัดเจนจากจุดอื่นๆก็จะปรากฏเป็นในเดียวกันเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วให้น้มจิตเข้าพักอยู่ในความสงบเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาอีกให้เจริญอยู่อย่างนี้จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชนานาญเพียงพอแล้ว คำบริการพุทโธก็ไม่จำเป็นเพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีผู้ปฏิบัติจิตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วก็เป็นอันว่าผิดทางมรรคภาวนาเพราะบรรดาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นแนวการปฏิบัติไม่พ้นไปจากกายนี้เลยกายจึงเป็นสนามรบกายจึงเป็นยุทธภูมิ ที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทำลายกิเลสและกองทุกข์ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายใน ห, ห, ห, ห, ห่อ ไ, ไว้หาบไว้หาวไว้อุ๋วงไว้จนนับพบนับพลาดไม่ได้ทั้งหลายไม่วชนิดไหนใ น, นสังสรารวัฏนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกาย้ทั้งสิ้นทำบุญทำบาปก็เพระกายอันนี้มีความรักมีความชังมีความหมงนก็เพระกายอันนี้เราสร้างสรงสรค์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราผุดศีลปฏิบัติธรรมก็เพราะกายอันนี้เราผิดศีลผิดธรรมก็เพระกายอันนี้นนนในพระพุทธศาสนาพระอุปัชฌาก่อนที่จะให้าาาผ้ า, า, อ า, าอาสาหญ้ามแปรก็สอนิระ ผมขนเล็บฝาหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสิ่งที่เห็นได้โดยง่ายเพราะเหตุน่างกายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลมัดผมก็จะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นจากกายนี้แหละกายนี้เป็นเหตุกายนี่เป็นผลเอากายนี้แหละเป็นมัดเป็นเครื่องดำเนินของจิตเหมือนกับแพทย์ต่างหลายรักษาเยียวยาคนป่วยได้ก็ต้องเรียนกายนี้ให้เข้าใจเชิงกลกายทุกทุนจึงจะสามารถรักษาคนไได้ไม่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์ตัดทิ้งร่างกายไปไม่ได้ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งร่างทิ้งการศึกษาระบบพลังกายของร่างกายก็เป็นอน นักปฏิบัติธรรมถ้าละทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นในส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณาให้เห็นแจ้งเลยปัญญาอันชอบแล้วคําว่านิพพิทาวิราคะนั้นจะไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับทุกข์ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นทุกข์ที่เกิดของทุกข์ที่ดับของทุกข์ ก็ไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็พิจารณากายนี้เป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาเพราะในอุทานธรรมบทว่าอเนกชาติสังสารังพระองค์ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปพระองค์จึงหักกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงไม่มีต่อไป กองกรรมคืออวิชามันอยู่ไหนถ้ามันไม่อยู่ในจิตของเราจิตของเรามันอยู่ที่ไหนจิตก็คือหนึ่งในห้าของปัญจขันธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนามนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องใครครวญพิจารณาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดาเนินตามมรรคภาวนาไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะดาเนินมรรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้ระยะที่จำมันษาอยู่ที่นามหมีนายุง จังหวัดอุดรธานีนี้วันหนึ่งพระจันทร์มั่นก็บอกว่าที่ถ้าแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงมีเจ้าของเฝ้าอยู่ลองไปพูดกับเขาดูเผื่อจะเป็นบุญเคยช่วยเหลือกันมาและถามเขาดูหน่อยว่าสมัยก่อนเคยทําอะไรถึงได้มาอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนก็น้อมรับคำบอกกล่าวนั้นตอนกลางวันก็เดินทางไปดูถ้าที่ว่าถ้านั้นเป็นโพรงถ้ำไม่ใหญ่แต่สามารถเข้าไปพักภาวนาได้สะดวกพอสมควร ท่านก็ปัดกวาดทำความสะอาดก็ทำทางเดินจงกรมจนเรียบร้อยครั้นถึงเวลายามเย็นหลวงปู่แหวนก็ไปอยู่ที่ทํานั้นแล้วก็ปฏิบัติภาวนาตามกิจของท่านคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นคืนที่สองก็ยังเป็นปกติแต่พอถึงคืนที่สามขณะที่หลวงปู่แหวนนั่งภาวนาอยู่ปรากฏร่างดำทะมืนสูงใหญ่มายืนอยู่ข้างหน้าท่านมองหน้าตาไม่เห็นชัดเจน ร่างนั้นยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่พูดไม่กล่าวอะไรออกมาทั้งสิน้นยืนทื่ออยู่อย่างนั้นลงปู่แหวนท่านก็แผ่เมตตาออกไปให้แต่ว่าร่างนั้นก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอื่นใดแสดงออกมาเลยยืนอยู่เป็นครู่ใหญ่ค่อยๆหายไปคืนต่อมาร่างอมนุษย์ตนนั้นหรือว่าเปรตที่ว่านี่ก็มาปรากฏในลักษณะเดิมอีกก็คือยืนนิ่งไม่ไหวติงเหมือนเดิม แม้ว่าหลวงปู่แหวนจะแผ่เมตตาให้ก็ยังยืนชะโงกงําเหมือนจะคมคูให้วาดกลัวเหมือนเดิมครั้นเห็นหลวงปู่แหวนคงอยู่ในอาการสงบวางเฉยไม่ได้ตื่นตนกหวาดกลัวร่างนั้นก็ค่อยๆหายไปกะทั่งคืนหนึง่งร่างทรรมนของอมนุษย์ตอนเดิมก็มาแสดงตัวอีกหลวงปู่แหวนก็แผ่เมตตาเจาะจงให้เหมือนทุกครั้งคราวนี้เขาแสดงความยินดีอนุโมทนาในกุศลที่ท่านแผ่ให้ ลุงปู่แหวนก็กำหนดจิตถามเปรตตนนั้นว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้ก่อกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาผุดเกิดในกำเนิดอย่างนี้เปรตตนนั้นก็บอกว่าสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ตัวเองเป็นนักเลงไก่ชนชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจถ้ารู้ว่ามีบ่อนชนไก่ที่ไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลจะต้องเอาไก่ไปชนด้วยทุกครั้งเพราะสนุกตื่นเต้นเป็นที่ถูกออกถูกใจลุงปู่ท่านก็ถามว่าเอาไก่ไปชนจำนวนมากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้เพราะไม่ได้นับ แต่คงจะเป็นจำนวนมากเนื่องจากเอาไก่ไปชนหลายปีจนกระทั่งเขาตายลวงปูแหวนถามว่าไก่ที่เอาไปชนไปตีนั่นน่ะมันเป็นยังไงบ้างเปรตก็บอกว่าถ้าตัวไหนชนะคู่ต่อสู้มาเขาก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ถ้าชนะมาแล้วก็บาดเจ็บกลับมานี่ก็จะรักษาจนกว่าจะหายหากรักษาไม่หายหรือถึงหายก็กลายเป็นไก่พิการก็จะฆ่าเอามาแกงกินเสีย ลุงปูแหวนก็ถามว่าที่ไก่บาดเจ็บน่ะมีอาการยังไงเปรตก็ตอบว่าไก่บางตัวก็ตาบอดบางตัวก็หัวฉีกขาดบอบช้ำไปทั้งตัวบางตัวก็ปากหักห้อห้อ ย, อยนิ้วหักแล้วบางตัวก็ถูกไายตรงข้ามตีจนตายกระค า, าสังเวียนลุงปูแหวนท่านก็ถามไม่นึกสงสารไก่บ้างเหรอมันก็บอกว่าไม่นึกสงสารแม้แต่น้อยบางตัวแพ้เข้ามาทําให้เกิดโมโหอ่าตัวไหนแพ้มาจะฆ่ากินแกล้มเล้าหมด ทำอยู่อย่างนี้หลายปีกระทั่งเจ็บป่วยได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากเป็นเวลานานแล้วในที่สุดทนเจ็บปวดท ร, ทรมานไม่ไหวก็ถึงแก่สิ้นชีวิตตายไปแล้วก็ไปเสวยกรรมอีกนานกระทั่งมาผุดเกิดเป็นเปรตอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนก็กำหนดจิตกล่าวว่ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องรู้ว่าต้องทนทุกมาเฝ้าอยู่ทําไมฉะไหนถึงไม่ไปเกิดซะละเปรตไม่ตอบแต่ยกมือชี้ไปรอบๆอบ เป็นที่เข้าใจว่าเขายังห่วงป่าไม้ในบริเวณนี้อยู่หลวงปู่แหวนก็ให้สติว่าทำไมไม่สละของเหล่านี้เสียถ้าเอาจิตมาผูกติดอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะพ้นทุกข์จงละความห่วงแหนห่วงใยเสเถอะจะได้ไปเกิดใหม่เสียทีเปรตก็บอกว่าสละไม่ได้ถ้าสละไปแล้วไม่มีอะไรกินสละไม่ได้พอพูดมาถึงประโยคนี้แล้วเปรตก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกถามอะไรก็ไม่ตอบหลวงปู่แหวนก็ได้แต่แผ่เมตตาให้อีกครั้งแล้วเปรตก็หายไป แท้ที่จริงเปรตห่วงป่าไม้บริเวณนี้เพราะว่าเมื่อมีชาวบ้านเข้ามาตัดไม้ใช้ประโยชน์จะล้มป่วยไม่สบายก็ต้องนำไก่ต้มหมูต้มมาเส้นสังเวยถึงจะหายป่วยเปรตก็ได้กินเครื่องเส้นสังเวยก็หลงอยู่กับเครื่องเส้นเหล่านี้ก็ทําให้วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยมานานแสนนานหลวงปู่แหวนได้เรื่องราวมาก็กลับไปกราบเรียนให้ท่านพระอาจารย์มั่นรับทราบท่านก็ไม่ว่าอะไรต่อมาภายหลังอาจารย์มั่นก็ไปโปรด เปรตตนนั้นด้วยตัวท่านเองแล้วก็แสดงธรรมสั่งสอนจนเปรตยอมละทิ้งความห่วงในลาบสักการะและยอมไปเกิดใหม่โดยดีในคืนที่เปรตอำลาจากไปปรากฏมีเสียงกึกก้องเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางป่าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ออกมาสอบถามพระอาจารย์มั่นว่าเสียงที่เขาได้ยินนเป็นเสียงอะไรท่านก็บอกว่าเจ้าของป่าเขาละทิ้งถิ่นไปแล้วต่อจากนี้ใครจะเข้าไปจับจองที่ดินทำกินทำไร่ทำนาก็เข้าไปเถอะ ภัยอันตรายไม่มีแล้วนับแต่นั้นพื้นที่ดังกล่าวก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นไร่นาจนหมดกลายเป็นที่ทำกินของชาวบ้านราษฎรมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้เวลานั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์วัดบรมนิวาสมีชื่อเสียงขจรขะจไปทั่วสังคมนทนภาคอีสานกล่าวกันว่าท่านเทศนาแสดงธรรมได้ไพเราะพิสดารอย่างยิ่งพระภิกษุและสามนเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ผู้ใคร่ในธรรมต่างปรารถนาจะได้ฟังเทศจากท่านเจ้าคุณอุบาลีกันโดยทั่วไปหลวงปู่แหวนรับรู้กิติศัพท์คุณธรรมของท่านเจ้าคุณอุบาลีแล้วก็มีความต้องการจะไปนำ้ำมาสการท่านสักครั้งหนึ่งก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพหลวงปู่แหวนรู้กิติศัพด์ของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจานทร์ก็มีความต้องการจะไปกราบนรรมาสการท่านสักครั้ง ก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพหลวงปู่แหวนไม่เคยย่างไกลเข้ามากรุงเทพมาก่อนเลยถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ข้อวิตกกังวลท่านก็ออกเดินทางจากจังหวัดอุดรก็จาริกตูดงมาเรื่อยเรื่โดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งใจว่าจะมาขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพที่นครราชสีมาการเดินทางด้วยเท้าของหลวงปู่แหวนผ่านชายทุ่งชายป่าหมู่บ้านใหญ่น้อยมาเรื่อยเร เมื่อถึงยามเย็นจวนจะพลบท่านก็หยุดยัง้งปักกรดภาวนาเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกบินธบาติโปรดญาติโยมก็ได้อาหารตามมีตามได้เลี้ยงชีพจากนั้นท่านก็จากไปในระหว่างการจาริกตุ้ดงหลวงปู่แหวนท่านพอใจที่จะหยุดพักตามป่าตามดงมากกว่าที่จะพักอยู่ใกล้หมู่บ้านเพราะว่าเวลาพักใกล้บ้านชาวบ้านนี่จะมีญาติโยมมารบพวนด้วยเรื่องแปลก เช่นขอเครื่องลางของขลังขอหวยมีน้อยรายที่จะขอโอวาททำเอาไปปฏิบัติมันทำให้เสียเวลาการภาวนาไปโดยเปล่าประโยชน์สมัยนั้นชาวบ้านเคารพนับถือผีอย่างกว้างขวา ง, วางแล้วก็นับถือศรัทธาเอาอย่างจริงๆจั ง, จงแทบทุกหมู่บ้านจะมีศาลปู่ตาเป็นที่เคารพกราบไหว้แล้วก็มีการเส้นสังเวยเอาใจผีเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีพิธีใหญ่ประจำปียังมีการบนบานขออานาจผีช่วยบ่อยๆเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เชื่อว่าผีทำจะทากิจการงานอะไรก็ต้องถามผีก่อนเป็นความงมงายที่ครอบคลุมไปทั่วท้องถิ่นอีสานเมื่อหลวงปู่แหวนก็ไปพักในป่าที่มีสารปู่ตาตั้งอยู่ชาวบ้านก็จะพากันหวาดกลัวว่าพระทุดงจะถูกผีปู่ตาทำอันตรายแต่เมื่อเห็นพระเป็นปกติดีก็จะมาเลื่อมใสศรัทธาพระ ก็เป็นโอกาสให้หลวงปู่แหวนแสดงธรรมอบรมให้รู้ว่าไตรสรณาคมเท่านั้นควรจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงบางบูบ้านเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนเข้าไปพักในป่าที่มีสารปู่ตาตั้งอยู่ชาวบ้านก็กลัวว่าผีปู่ตาจะโกรธที่พระละเมิดเขตผีแล้วก็จะมาผานอลาวาดเอากรชาวบ้านหลวงปู่แหวนก็ถือเอาโอกาสนั้นอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านรู้แจ้งเห็นจริงในพระรัตนไตร ให้ละเลิกมิจฉาทิฏฐิยุติสตาพูดผีทั้งหลายบางหมู่บางพวกก็ถอนคลายความเชื่อถืออันงมงายแต่บางพวกก็ยังลุ่มหลงในความเชื่อเดิมๆอยู่ท่านช่วยได้แต่บุคคลที่มีปัญญาพิจารณาในสิ่งถูกสิ่งผิดอย่างแจม่มแจ้งสําหรับคนที่ยังโง่เข่ามัวเมาอยู่ท่านก็จําต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาหลวงปู่แหวนเดินทุ้ดงมาถึงนครราชสีมา มีโยมอุปถักตซื้อตั๋วรถไฟถวายท่านท่านก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปพักที่วัดบรมนิวาสได้พบกับท่านเจ้าคุณอุบาลีกุนูปมาจาร์ตามประสงค์แล้วก็ได้รับคำแนะนําข้ออัดข้อธทรรมที่ติดขัดข้องใจหรือว่าสงสัยในพระธรรมวินยัยจนกระจ่างถึงวันธรรมมาสวนะัสก็ได้รับฟังธรรมจากท่านบ้างนอกจากนี้ยังได้กราบเรียนถามถึงเส้นทางจาริกตุดงไปพมา่าแล้วก็เชียงตุงอย่างละเอียด ซึ่งท่านก็ได้อธิบายให้รับรู้ด้วยเหตุนี้หลังจากออกจากกรุงเทพแล้วหลวงปู่แหวนก็ตัดสินใจเดินทุดงข้ามประเทศไปยังประเทศพมา่าทุดงครั้งนั้นท่านไปทางด้านแม่สอดจังหวัดตากข้ามแม่น้ําเมยไปขึ้นฝั่งพม่าที่ด่านสุลกกรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่พม่าก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่พอจับใจความได้ว่าไม่เป็นไรท่านก็ออกเดินทางไปทางเส้นทางคลุกคลิกเส้นทางสายนี้เป็นป่าเขาทั้งสิน้น หมู่บ้านชุมชนไม่มีอยู่เลยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้กังวลแต่อย่างใดเพราะความสงบสงัดของธรรมชาตินี่เป็นที่ต้องการของท่านอยู่แล้วไปถึงกลุกคลิกก็พักอยู่คืนหนึ่งเชา้าออกบินทบาทพอฉันเรียบร้อยก็ขึ้นเรือโดยสารไปมะละแม่งการเดินทางใช้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนก็บรรลุถึงมะละแม่งโดยสารเรือข้ามฟากไปขึ้นที่เมตมะที่เมตมะมีดอยลูกหนึ่งชื่อดอยสีกุตระบนดอยนี้มีพระเจดีย์อยู่บนยอด ชาวพมา่านิยมขึ้นไปนมัสการพระเจดียด์ไม่ขาดสายมองลงมาจากยอดดอยก็จะเห็นทิวทัศน์เมืองเมตมะได้ทั่วการไปอยู่เมืองพมา่าครั้งนั้นหลวงปู่แหวนได้รับความลําบากเรื่องบินธบาตรอย่างมากตอนแรกท่านไม่รู้ขนบธรรมเนียมการใส่บาตรของชาวพมา่าเดินบิณธบาตรไม่เห็นมีชาวบ้านออกมาใส่บาตรเลยมีพระไทยใหญ่รูปหนึ่งเห็นท่านไม่มีอาหารในบาตรก็เข้ามาบอกว่าชาวพมา่านี่เขาไม่ออกมาใส่บาตรแต่จะใส่บาตรบนบ้าน แล้วก็พาหลวงปู่แหวนเข้าไปในบ้านชาวพม่าใส่บาดเหมือนหนึ่งเป็นการกระทำตามขนบธรรมเนียมเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาให้อาหารทนุบํารุงพระภิกษุให้อิ่มหนำก่าวคือเขาจะใส่บาดด้วยข้าวหนึ่งช้อนแกงถั่วหนึ่งช้อนเดินบินทบาทสิบบ้านยังได้ข้าวไม่พออิ่มหลวงปู่แหวนพักอยู่บนดอยสีกุตระที่เมตมะนานพอสมควรก็ลงเรือเดินทางกลับมาละแมงที่พักอยู่สามคืนแล้วก็ โดยสารเรือเดินทางไปขึ้นที่เมืองท่า ก, ลลกาลักตาจากกา ล, ลกักตาก็ขึ้นรถไฟไปเมืองพาราณสีนมัสการปูชนียสถานต่างๆหลงปูแหวนอยู่ในอินเดียไม่นานติดขัดเรื่องอาหารขบฉันก็เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมกระทั่งเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านแม่สอดพักอยู่ที่แม่สอดระยะหนึ่งก็ทุดงไปที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ที่นั่นท่านพอใจในสถานที่วิเวกภาวนาพอสมควรแต่ว่าไม่ได้อยู่จำมันสาเนื่องจากชาวบ้านละแวกนั้นนิยมเลี้ยงหมาดุเวลาไปบินธบดีหมาจะกัดพระเป็นประจำแทนที่เชาบ้านจะคอยดูแลไม่ให้หมาทําอันตรายพระกลับปล่อยให้มันไล่กัดตามใจชอบเขาบอกว่าหมามันดุดีหลุงปู่แหวนก็เคยถูกหมากัดจนมีแผลเป็นติดตัวลุงปู่แหวนท่านถือตูดงเป็นวัดเกือบจะชั่วชีวิต เวนแต่ช่วงปลายของชีวิตซึ่งชราภาพมากแล้วที่ท่านหยุดพักการจาริกตุดงเนื่องจากสังขารไม่เอื้ออำนวยให้ขณะที่สังขารร่างกายของท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านจะออกตุดงตลอดเวลาเมื่อถึงการเข้าพรรษาแล้วถึงจะเข้าพักตามอารามต่างๆหรือว่าปวารณาจำพรรษาณสถานที่ใดที่หนึ่งหลังออกพรรษาในปีหนึ่งท่านตั้งใจจาิกตุดงข้ามแดนไปยังเชียงตุงเชียงรุง โดยออกไปทางด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าไปในเขตพมา่าแล้วเดินไปตามทางเกวียนบ้างทางคนเดินบ้างเส้นทางนั้นผ่านป่าเขาสลับซับซ้อนเกือบตลอดทางมีชุมชนหมู่บ้านอยู่ห่างๆกันถ้าพบหมู่บ้านท่านก็จะหยุดพักในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกบินทบาทที่หมู่บ้านนั้นพอได้อาหารมาประทังชีพถ้าไม่พบเขตคามหมู่บ้านก็ต้องทนอดทนหิวไปเรื่อย ภาวะอย่างนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบําเพ็ญธรรมแม้แต่น้อยการเดินทุดงโดยไม่ห่วงเรื่องกําหนดเวลาก็ทําให้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะไปถึงเมืองเชียงตุงเมืองเชียงตุงนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางเทือกเขาล้อมรอบอากาศเย็นสบายชาวเมืองเป็นชาวไทยใหญ่และพะมา่าพูดภาษาไทยใหญ่กับพม่าเป็นพื้นมีจิตเป็นกุศลชอบทําบุญทำทานเสมอ หลวงปู่แหวนอยู่ในเชียงตุงระยะหนึ่งก็ทุดงไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแสนหวีหนองแสผู้มิประเทศแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าดวงดิบอากาศค่อนข้างหนาวเย็นชาวเมืองแถบนี้มีหลายเผ่าหลายเชื้อชาติแต่เผ่าที่เจริญที่สุดคือพวกกีนฮ่อแล้วก็มีจำนวนมากเมื่อใกล้จะเข้าวรรษาฝนเริ่มตกชุกท่านก็กลับประเทศไทยมาจำพรรษาในเมืองไทย กลับจากเชียงตุงหลวงปู่แหวนก็เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปวิเวกภาวนาบนดอยสุเทพในห่วงเวลานั้นทางเชียงใหม่เกิดปัญหาเนื่องจากราษฎรชาวบ้านหืนห่างจากวัดห่างจากธรรมภิกษุสามเณรย่อหย่อนในพระธรรมวินยัยประพฤติปฏิบัติเหลวไหลนอกลู่นอกทางเป็นจํานวนมากประกอบกับวัดจะดีหลวงสุดโสมหาพระผู้ใหญ่มาเป็นหลักไม่ได้ เจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าพระยามุขมนตรีสมุหะเทสาพิบาลมนทนพยัพก็ได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหาพระเถระผู้ใหญ่มาเป็นแบบอย่างให้แก่พระภิกษุสามเณรก็ตกลงกันว่าพระเถระที่เหมาะสมที่สุดคือท่านเจ้าคุณอุบาลีกุนูปมาจานก็เลยไปนมัสการอราราธนานิมนต์แจ้งความประสงค์ต่อท่านซึ่งต่อมาท่านก็รับนิมนต์แล้วก็เดินทางไปยังวัดเยดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ วาระนั้นเจ้าคุณอุบาลีก็ได้ให้หลวงปู่แหวนมาช่วยงานท่านด้วยปี2470ท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ได้ให้หลวงปู่แหวนเปลี่ยนยติเป็นพระธรรมยุทธในปีนั้นอากาศภาคเหนือเป็นสปายะสาหรับหลวงปู่แหวนเป็นพิเศษท่านท่องเที่ยวทุดงตามป่าเขาแถบภาคเหนือตลอดเวลาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและลำปางเป็นจังหวัดที่ท่านคุ้นชินเป็นอย่างยิ่ง สามารถบอกเล่าภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างละเอียดครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนเดินทางจากจังหวัดเชียงรายเพื่อจะไปจังหวัดลำปางมาถึงพยาวก็พักอยู่ที่วัดพระเจ้าตนหลวงสามสี่วันเพื่อเอากำลังพอดีได้ข่าวว่ามีรถลากไม้จากพยาวจะไปลำปางท่านก็ขอโดยสารติดรถไปด้วยคนขับรถก็เอื้อเฟื้อนิมนต์ให้ไปกับรถของเขาด้วยรถลากไม้ออกจากพยาวไปถึงอำเภอเงา รถเกิดติดลมเนื่องจากเวลานั้นเป็นเดือนเจ็ดฝนตกชุกคนขับรถก็บอกท่านว่าให้พักอยู่กับเขาก่อนเอารถขึ้นจากลมได้เมื่อไหร่ค่อยเดินทางต่อไปแต่ว่าหลวงปู่แหวนบอกว่าท่านจะเดินล่วงหน้าไปก่อนและจะไปพักที่หมู่บ้านข้างหน้าระหว่างที่เดินมานั้นฝนตกพรำๆตลอดเวลากระทั่งเย็นก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งคืนนั้นท่านก็ได้อาศัยศาลานอกหมู่บ้านเป็นที่พัก เช้าวันรุ่งขึ้นไปบินธบัต ท, ที่หมู่บ้านนั่นพอฉันเสร็จแล้วท่านก็ออกเดินทางต่อสมัยนั้นเส้นทางระหว่างพะเยาไปลาปางเป็นทางรถลากไม้เมื่อเข้าหน้าฝนเส้นทางนี้จะกลายเป็นลมทําให้รถลากไม้แล่นไม่ได้เส้นทางบางช่วงต้องข้ามน้ำเมื่อเข้าหน้าฝนระดับน้ำจะสูงขึ้นก็ทำให้รถข้ามลำบากสองข้างทางเป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ใหญ่สูงเรียงรายแน่นไปหมดมีพวกทากชุกชุม การเดินทางก็เป็นไปได้วยความยากลำบากมากหลวงปู่แหวนมาณเดินไปเรื่อยๆจนเวลาพรบค่าก็ถึงศาลเจ้าพ่อประตูผาศาลแห่งนี้เขาปลูกสร้างเป็นเรือนไม้หลังใหญ่พอจะขึ้นไปพักได้หลวงปู่แหวนก็ตัดสินใจพักที่ศาลเจ้าพ่อประตูผาโดยขึ้นไปอาศัยบนศาลท่านใช้ผ้าอาบปัดขวาดฝุ่นละอองแล้วก็ปูผ้าอาบกลางกรดจากนั้นก็ไปส่งน้าที่ลาธารใกล้ๆ จากนั้นก็ขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เข้าที่ภาวนาบรรยากาศในตอนกลางคืนสงบเงียบจนวังเวงเวลาล่วงไปล่วงไปจนดึกสงัดได้ยินเสียงเสือมาร้องอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อไม่ใช่มีตัวเดียวแต่ว่ามันเป็นเสียงเสือหลายตัวแต่เสียงเหล่านั้นก็ไม่ได้ทาให้หลวงปู่แหวนหวั่นไหว ท่านคงกำหนจดจิตแน่วแน่อยู่ในสมาธิเป็นปกติจากประสบะการณ์เที่ยวทุดงมาอย่างโชคชนก็ทําให้หลวงปู่แหวนวางเฉยต่อสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบเช่นพวกเสือซึ่งมีตะบะบา ร, รมีความดุร้ายหน้าพรั่นพึงแท้จริงมันก็เป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่ต้องส่อหาอาหารมาระงับความหิวโหวยตามธรรมชาติของมันที่เสือหน้ากลัวหน้าพรั่นพึงก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ มีอาวุธคือเขี้ยวและเล็บทรงอนุภาพสําหรับใช้ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารหากหาสัตว์อื่นกินไม่ได้เวลามาพบคนเข้าเสือหิวมันก็ไม่เว้นมันก็ล่าคนกินเหมือนกันคนที่จะตกเป็นเหยื่อเสือนี่มักจะมีอกุศลกรรมผูกพันกับเสือตัวนั้นมาก่อนเป็นอกุศลกรรมอันเนื่องจากผูกเวรจ้องจะทําลายล้างซึ่งกันและกันมาแต่ชาติบางก่อนมาถึงชาตินี้ถึงต้องชดใช้ด้วยเลือดและชีะชวิตคืนกลับไป หากยังมีความผูกพยาบาทด้วยความโกรธไม่รู้จักปล่อยวางให้อโหสิให้อภัยสายใหญ่แห่งกรรมก็จะสืบสารต่อไปในพบหน้าชาติหน้าไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับหลวงปู่แหวนนั้นยอมสละแล้วทั้งชีวิตผู้ใดต้องการจะเอาชีวิตของท่านก็ยอมสละให้ด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธความกลัวความอาฆาตพยาบาทดังนั้นความรู้สึกรักและหวงแหนชีวิตตัวเองก็ไม่ปรากฏในจิตของท่าน ด้วยเหตุนี้หลวงปู่แหวนจึงตัดความกลัวเสือที่จะเข้ามาทำร้ายทำอันตรายถึงชีวิตไปอย่างเด็ดขาดคืนนั้นหลวงปู่แหวนคงทำความเพียรตามปกติและพักผ่อนนอนหลับเพียงเล็กน้อยกระทั่งถึงรุ่งเช้าท่านก็เก็บบริขารเดินทางต่อไปอีกเส้นทางช่วงนี้เป็นป่าเขารกเรือหนาทึบแล้วก็ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยในแถบนี้เลยเวลานั้นท่านมีความรู้สึกไม่สบายมีอาการเป็นไข้รุมๆอยู่ตลอดเวลา แต่บริเวณแถบนี้ไม่มีสถานที่พักอันเหมาะสมได้ก็พยายามเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงช่วงบ่ายร่างกายสังขารอ่อนเปลี้ยเพลียไปหมดหัวก็หนักอึ้งโดยพิษไข้ท่านก็ตัดสินใจแวะเข้าข้างทางอาศัยร่มไม้ต้นหนึ่งเป็นที่พักวางบาดวางกรดไว้ข้างตัวก็ล้มตัวลงนอนหนุนรากไม้แล้วก็หลับไปจะนอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเมื่อเสียงยอดไม้สายโยกไหว มองขึ้นไปเครื่องบนก็เห็นยอดไม้ไหวเอน็นรุนแรงจากแรงลมกล้ากันโชกพัดอากาศมืดครึ้มดำทามึนด้วยเมฆฝนเสร็จแล้วฝนก็เริ่มตกห่างๆแสดงว่าในไม่ช้าฝนคงจะกระหน่ำลงมาอย่างหนักหลวงปู่แหวนเวลานั้นไม่ได้สั่งจากพิษไข่ร่างกายยังร้อนรุมด้วยไข้ขึ้นสูงความอ่อนเพลียบัน่นทอนจนทาให้หมดแรงหลบฝนไปที่ไหนไม่ได้ ไอ้ครั้นจะกลางกรดกันฝนก็ทำไม่ได้เพราะว่ากระแสลมมันแรงจัดถ้ากลางก็คงถูกลมพัดกระเจิงไปเท่านั้นเองเมื่อหมดทางแก้ไขสถานการณ์ท่านก็พยายามลุกขึ้นนั่งกำหนดจิตเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งอ้างถึงบุญบารมีของตัวที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บวชมาด้วยดีว่าข้าพเจ้าบวชอุทิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ วันนี้ข้าพเจ้าจะเดินไปลำปางแต่เกิดอาการไข้หมดกำลังที่จะไปข้างหน้าถ้าบุญบรารมีของข้าพเจ้ามีอยู่จะได้บำเพ็ญพรมาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วขอฝนจะได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่เลยแล้วแผ่เมตตาต่อเทพรักษ์อธิษฐานบอกกล่าวกับเขาว่าข้าแต่เทพรกักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งนาคครุฑผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ดี วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกำลังที่จะไปข้างหน้าขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูข้าพเจ้าโปรดบันดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ของตัวให้ฝนซึ่งจะตกลงมาวันนี้เว้นตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปเส้ทางอื่นการที่จะห้ามฝนไม่ให้ตกนั้นไม่ใช่ฐานะแต่ขออย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนขอให้ผ่านไปทางอื่นเถอะ อธิษฐานเสร็จหลวงปู่แหวนก็ได้แผ่เมตตาออกไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเวลานั้นสายฝนก็เริ่มโปรยปลายหนาเม็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เป็นที่อัศจรรย์ที่อยู่ๆก็เกิดกระแสลมแรงกล้าพัดเปลี่ยนทิศจนต้นไม้น้อยใหญ่นี่เอ็นรู้ไปตามแรงลมกระแสลมแรงได้พัดให้สายฝนตกห่างออกไปไกลจากสถานที่ที่หลวงปู่แหวนอยู่นี่ประมาณเส้นหนึ่ง ฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นานกว่าจะซาลงจนกระทั่งขาดเม็ดฝนหายแล้วแต่อาการไข้ของหลวงปู่ยังไม่ลดราเอาเสียเลยท่านก็ล้มตัวลงนอนต่อแล้วก็หลับไปได้วยความอ่อนเพลียมารู้ตัวลืมตาตื่นอีกครั้งก็ดึกมากแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเหนียวเหนอะหนะไม่รู้ว่าถูกยุงกัดหรือว่าเป็นเพราะเหงื่อออกกันแน่พร้อมกันนั้นก็รู้สึกกระหายน้าเป็นกาลัง ท่านก็ต้องพยุงร่างหิ้วกาน้ําไปตักน้ําที่ขังอยู่เอามากรองใส่กาแล้วก็หิ้วกลับมาฉันบรรเทาความกระหายน้ําพักอยู่จนมีแรงแล้วก็เป็นเวลาใกล้สว่างท่านก็เก็บบริขารออกเดินต่อไปก่อนเดินทางก็ได้แผ่เมตตาให้แก่สรรัตว์ปสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณปรากฏว่าการเดินฝ่าไปในป่าเปลี่ยวปลอดภัยทุกอย่างไม่พบพานสัตว์ ร, ร้ายอะไรทั้งสิ้นในเส้นทางทุดงอีกเลย การเดินธุดงของหลวงปู่แหวนเพียงลำพังองค์เดียวเป็นความพอใจของท่านท่านบอกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลต่อใครจะอยู่จะไปก็ทำได้ทันทีไม่จําเป็นต้องพูดกับใครเดินไปก็สวดมนต์ภาวนาไปจิตไม่ส่ายแสออกไปภายนอกเวลาขับขันจิตก็รวมเป็นสมาธิดีมีสัมปชัญญะครบถ้วนสติตื่นอยู่ในธรรมตลอดเวลาจิตมีความองอาจกล้าหาญและมีอานาจ เวลากำหนดแผ่เมตตาออกไปสัตว์ดุร้ายก็สามารถจะรับรู้ได้มันจะรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็ไม่ทำอันตรายจาริกตุดงครั้งหนึ่งของหลวงปู่แหวนท่านเดินจากพะเยาจะไปลาปางต้องเดินอ้อมกวนพะเยาแล้วตัดข้ามดอยหมูไปเส้นทางสายนี้ไม่มีทางรถมีแต่ทางเดินเท้าภูมิประเทศรอบด้านเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนโดยตลอดไม่มีหมู่บ้านผู้คนอยู่อาศัยในเขตใกล้เคียง เป็นป่าดิบดงลึกถิ่นของสัตว์ป่าเท่านั้นประมาณกึ่งกลางเส้นทางนี้มีคนมาสร้างศาลาที่พักกลางป่าเอาไว้ศาลาแห่งนี้ปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักแรมของคนเดินทางผ่านไปมาเนื่องจากเมื่อถึงเวลากลางคืนจะไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านป่าเพราะว่าเกรงว่าจะไปเจอสัตว์อันตรายพวกเสือหมีงูจงอางหลวงปู่แหวนเดินมาตามเส้นทางดังกล่าวเพียงองค์เดียว มาถึงศาลากลางป่าก็เย็นค่ําแล้วท่านก็เข้าไปพักที่ศาลาแห่งนี้อากาศในป่าพาอบนเขาเนี่ยพอเย็นลงก็จะเริ่มหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลงต่ําไปเรื่อยๆหลวงปู่ท่านก็รีบสงน้าที่ลําธารใกล้ๆเพอาะค่ำลงท่านก็ทําวัดสวดมนต์แผ่เมตตาจากนั้นก็เข้าที่ภาวนาถอนจิตออกจากสมาธิเป็นเวลาดึกพอสมควรถึงได้จําวัดเวลานั้นป่าทั้งป่างเงียบสงัด ได้ยินแต่เสียงเสือร้องอยู่รอบสลาท่านเล่าว่าพวกเสือนี่สามารถจะเรียนเสียงพวกเก้งพวกวังให้เหมือนได้เมื่อเสือทำเสียงร้องเรียนเสียงเก้งเสียงกวางพวกสัตว์กินหญ้าดังกล่าวก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็เข้ามาหาก็ถูกเสือตะครุบกัดกินเป็นอาหารสบายมันไปวงจรชีวิตของสัตว์ป่าเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วฝ่ายหนึ่งก็เบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งก็รักษาชีวิตตัวเองให้อยู่รอด สัตว์เบียดเบียนสัตว์เพื่อความอิ่มท้องแล้วก็ยังมีมนุษย์เข้ามาเบียดเบียนสัตว์ซ้ําเติมเข้าไปอีกแต่มนุษย์เบียดเบียนสัตว์ไม่ใช่เพื่อเอาไปเป็นอาหารเลี้ยงชีพเท่านั้นส่วนมากทําไปเพื่อความสนุกตื่นเต้นสนองกิเลสของตัวเองเป็นสําคัญอย่างเดียวอากาศในป่ายิ่งดึกยิ่งหนาวความเย็ยนเยือกก็ทําให้หลวงปู่แหวนนอนไม่หลับต้องลุกมาก่อไฟผิงถึงสามครั้งสามคราดีที่มีคนเก็บฟืนมาเตรียมเอาไว้ให้ในสลา แล้วก็มีเตาไฟสำหรับก่อไฟไว้ด้วยท่านถึงไม่ต้องออกไปเก็บฟืนเองแสดงว่าคนที่เคยมาพักที่ศาลานี้รู้ว่ายามดึกเนี่ยอากาศเป็นหนาวเย็นมากถึงได้มีใจเผื่อแผ่ช่วยเก็บฟืนมาเตรียมไว้ให้คนที่จะเดินทางพักพักแรมในภายหลังจิตใจอันดีงามของผู้คนยังหลงเหลืออยู่แม้แต่ในป่าดงดอยอันห่างไกลแสนไกลใกล้สว่างหลวงปู่แหวนถึงได้งีบหลับไป รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันท่านคลองผ้าเรียบร้อยก็ลงไปหาผู้ชายสองสาคนที่นั่งคุยกันอยู่มีของที่หาบมาวางอยู่ข้างๆก็ถามว่าพวกเขาจะไปไหนก็ได้คำตอบว่าจะไปพยาวท่านถามต่อไปว่าข้างหน้ามีหมู่บ้านไหมคนหนึ่งในกลุ่มก็บอกว่าต้องเดินไปอีกประมาณสามชั่วโมงก็จะเจอหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือหลวงปู่แหวนก็เก็บบริขารออกเดินต่อไปทันที ตั้งใจว่าจะไปบินธบัต ท, ที่หมู่บ้านนั้นออกเดินไปเรื่อยๆจนสายมากแล้วก็ไม่พบหมู่บ้านที่คนกลุ่มนั้นบอกท่านก็รู้สึกเหนื่อยอ่ อ, อนแล้วก็หิวเป็นกำลังก็คิดว่าวันนี้คงอดไม่ได้ฉันอีกแล้วเดินต่อไปอีกพักใหญ่ก็มีผู้หญิงสามคนหาบของเดินสวนทางมาท่านก็ถามถึงหมู่บ้านซึ่งได้รับคำบอกมาหญิงทั้งสามก็บอกว่าหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยท่านเดินผ่านมาไกลแล้ว จะมีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งก็ต้องเดินต่อไปจนเย็นนะถึงจะถึงแล้วผู้หญิงพวกนั้นก็ถามว่าหลวงพ่อนะฉันอาหารมาแล้วหรือยังหลวงปู่แหวนก็ตอบไปตามตรงว่ายังไม่ได้ฉันพวกผู้หญิงก็บอกว่านําข้าวห่อมาด้วยขอถวายให้ท่านฉันเพราะว่าพวกเราก็ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วขอให้ท่านฉันเต็มที่แล้วหญิงพวกนั้นก็นําข้าวหอ่อซึ่งเป็นข้าวเหนียวกับน้ําอ้อยอเป็นน้ําอ้อยงบ ถวายเป็นพตรตาหารแด่ท่านหลวงปู่แหวนก็รับไว้แล้วก็ฉันด้วยความหิวจนอิ่มจากนั้นก็อนุโมทนาให้พรผู้หญิงทั้งสามก็มีท่าทีร่าเริงเป็นสุขที่มีโอกาสได้ทำบุญอย่างไม่คาดฝันเมื่อให้พรแล้วท่านก็อําลาแล้วก็เดินต่อไปกระทั่งถึงเวลาเย็นก็พบกระหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งหลวงปู่แหวนก็ได้เข้าไปที่วัดประจาหมู่บ้านขออนุญาตพักชั่วคราว จเจ้าอาวาสท่านก็ต้อนรับด้วยอัธยาศัยเป็นอันดีถามว่าเมื่อคืนเนี่ยพักอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าพักที่สลากลางป่าจเจ้าอาวาสก็แสดงอาการตื่นเต้นบอกว่าสําหรับท่านเนี่ยต่อให้มีคนไปอยู่ด้วยอีกร้อยคนก็ไม่ยอมไปพักเด็ดขาดแล้วถามต่อไปว่าตอนกลางคืนในมีแมวป่ามาเยี่ยมหรือเปล่าคําว่าแมวป่านี่ก็หมายถึงเสือ น, นั่นเองหลวงปู่แหวนก็บอกว่าได้ยินเสียงร้องเหมือนกัน แต่เขาก็ไม่ได้เข้ามารบกวนอะไรหลวงปู่แหวนพักที่วัดในหมู่บ้านนั้นสองคืนพอมีกำลังท่านก็เดินทางต่อไปการเที่ยวทุดงของหลวงปู่แหวนนอกจากจะทำให้ก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วยังเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็ได้พบทั้งยังได้รับรู้ถึงวิธีอยู่วิธีกินของชุมชนต่างๆซึ่งออกจะแปลกแตกต่างกันออกไป บางหมู่บ้านก็เอาข้าวกับเกลือมาใส่บาตบางหมู่บ้านก็เอาข้าวกับผักมาใส่บาทท่านเคยถามเขาว่าไม่มีพริกกินบ้างหรือเขาบอกไม่มีถามอีกว่าทำไมไม่ปลูกละ่ะคําตอบก็คือลำบากยุ่งยากเสียเวลาต้องถากต้องถางดินต้องปลูกอย่าไปกินมันเลยคนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามธรรมชาติอาหารการกินก็ทาง่ายๆอะไรมันงอกขึ้นมาก็กิน มีอะไรก็กินพอให้อิ่มท้องพวกที่มีข้าวกับเกลือก็กินข้าวกับเกลือพวกที่มีข้าวกับผักก็กินข้าวกับผักไอ้เรื่องจะทำต้มแกงหรือผัดนี่เขาทำไม่เป็นพืชผักสวนครัวเช่นพริกมะเขือมะเขือเทศซึ่งควรจะปลูกเอาไว้กินก็ไม่ยอมปลูกทั้งที่ดินก็ดีเหลือเกินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่แหวนก็เคยไปจำพรรษาระยะหนึ่ง สถานที่จำมันสาเป็นถ้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองแม่ห้องสอนถ้ำนี้เป็นถ้ำไม่ใหญ่นะักใกล้ๆถ้ำก็มีลำธารไหลผ่านไม่ห่างจากถ้ำก็มีชาวไร่อยู่อาศัยสามสี่หลังคาเรือนท่านไปบิทธบาต ท, ที่บ้านชาวไร่เหล่านี้ก็พอดำรงตนอยู่ได้ไม่เดือดร้อนวันคืนที่ผ่านไปเป็นเวลากระทำความเพียรพิจารณาธรรมเพียงอย่างเดียว ตอนแรกๆท่านอยู่เพียงลําพังองค์เดียวที่ถ้าได้รับความสงบต่อมามีชาวบ้านที่หมู่บ้านใหญ่ในละแวกนั้นทราบว่ามีพระทุดงมาจำพรรษาที่ถ้าที่ว่าเนี่ยชาวบ้านก็พากันนําอาหารมาถวายทุกวันถึงเวลาเช้ามืดชาวบ้านก็จะนําอาหารมาที่ถ้ำพอสว่างก็จะถวายอาหารพร้อมกับเทียนไขแล้วก็จะรอให้พระให้พรก่อนถึงจะกลับถ้ายังไม่ให้พรก็ยังไม่กลับเพราะว่าถือว่า ทำบุญทำบุญแต่ว่าไม่ได้บุญชาวบ้านเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่หลวงปู่แหวนเห็นว่าชาวบ้านพากันมาเป็นจำนวนมากทำให้วุ่นวายท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ท่านจะไปบินธบาตเองแต่เขาเหล่านั้นไม่ยอมเนื่องจากถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาท่านก็จำเป็นต้องอนุโลมตามเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างประเพณีของพวกเขาแม่ห้องสอนในสมัยนั้นจะเรียกว่าเป็นเมืองปิดก็ว่าได้ เส้นทางคมนาคมติดต่อกับโลกภายนอกก็เป็นไปอย่างยากลำบากถ้าจะติดต่อกับจังหวัดอื่นต้องเดินทางด้วยเท้าเท่านั้นทางลัดที่ใกล้ที่สุดก็คือเส้นทางเดินเท้าข้ามเขามายัางอำเภอปลายจากปลายก็มาอำเภอแม่ริมจากแม่ริมก็ถึงจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ชาวท้องถิ่นแม่ห้องสอนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่คนพื้นเมืองมีน้อยการค้าขายก็เป็นไปอย่างจากัด ข้าราชการสมัยนั้นถ้าถูกส่งไปแม่ห้องสอนก็เหมือนถูกลงโทษอย่างหนักเพราะว่าเท่ากับไปอยู่ในท้องที่ธุระกันดานห่างไกลความเจริญทุกอย่างเป็นเมืองสงบสงัดอย่างแท้จริงตอนที่หลวงปู่แหวนไปอยู่ถ้ำใหม่ๆท่านถูกมแมลงตัวเล็กๆชนิดหนึ่งกัดตัดตอนแรกจะเป็นรอยช้ำเลือดแล้วก็กลายเป็นแผลและเป็นแผลที่หา ย, ยากหายช้าสเก็ตหลุดสามครั้งถึงจะหาย มแมลงชนิดนี้ตัวเหลืองปีกลายมักจะมากัดท่านเสมอต่อมาชาวบ้านเขาถามว่าตัวคุนเนี่ยไม่มากัดท่านเหรอท่านเล่าว่ามีมาแมลงตัวเหลืองปีกลายมากัดชาวบ้านก็บอกว่านั่นแหละตัวคุนวิธีป้องกันเนี่ยให้ก่อไฟสุมไฟให้มีควันอยู่เสมอตัวคุนจะไม่มารบกวนท่านลองทําก็ปรากฏว่าได้ผลดีชาวบ้านที่ถูกตัวคุนกัดและแผลจะเกิดเป็นแผลผุพองมีน้ําเหลือง เมื่อแผลหายแล้วผิวหนังจะเป็นรอยแผลเป็นคนที่ถูกตัวคุ้นกัดบมากๆจะเห็นผิวหนังตามแขนขาเนี่ลายพร้อยไปหมดชาวเขาที่ใช้ผ้าพันขาลงไปถึงข้อเท้าก็เพื่อป้องกันตัวคุ้นกัดนี่เองเมื่อออกพรรษาแล้วพระครูอริยะมงคลซึ่งเป็นเชื้อสายไทยใหญ่มาชวนหลวงปู่แหวนไปเชียงใหม่ด้วยกันเนื่องจากได้รับใบบอกจากทางการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จขึ้นประพาสเชียงใหม่ ตอนแรกหลวงปู่แหวนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปแต่ทนรบเร้าไม่ได้ก็เลยยอมตกลงไปด้วยการเดินทางจากแม่ห้องสอนไปยังเชียงใหม่ครั้งนั้นต้องเดินเท้าจากแม่ห้องสอนไปยังอำเภอปลายก่อนเส้นทางสายนี้เป็นทางลัดต้องเดินตัดป่าข้ามเขาสูงถึงอำเภอปายแล้วก็หยุดพักเอาแรงก่อนสามวันเมื่อมีกำลังแล้วถึงเดินมุ่งสู่อำเภอแม่ริมจากแม่ริมก็เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอปลายถึงเชียงใหม่ถึงสี่วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของทางราชการแล้วคณะของพระครูอริยมงคลก็เดินทางกลับแม่ห้องสอนแต่ว่าหลวงปู่แหวนไม่กลับไปด้วยและนับตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่ได้กลับไปสู่แม่ห้องสอนอีกเลยเมื่อตอนที่หลวงปู่จำวันสาอยู่ที่ถ้ำแม่ห้องสอนวันหนึ่งขณะที่ท่านกาลังดาเนินจิตอยู่ในความเพียร ก็ได้นิมิตเห็นโยมพ่อใส่เสื้อผ้าใหม่ทั้งชุดมาปรากฏก็ต่ออาถอนจิตออกมาคิดว่าโยมพ่อคงจะสิ้นอายุเพราะได้ยินได้ฟังมาว่าถ้า น, นิมิตเห็นพ่อแม่ใส่เสื้อผ้าใหม่แสดงว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคิดอย่างนี้ก็สำรวมจิตตั้งสัจจาธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่สร้างมาอุทิศแก่ยโยมพ่อโดยตรง ขณะนั้นปรากฏมีแสงพุ่งตรงมาอย่างท่านแสงนั้นลอยเสมอยอดไม้แล้วลดต่ำลงมาใกล้ๆพื้นกลางลาแสงนั้นเป็นโยมพ่อนั่งพนมมืออยู่หน้าตาท่าทางแจ่มใสเปล่งปลังเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพ่อจะมาลาแล้วลุงปู่แหวนจึงกำหนดจิตถามไปว่าโยมพ่อตายแล้วเหรอโยมพ่อจะไปไหนโยมพ่อไม่ตอบแต่ว่าชี้มือไปที่ฝั่งประเทศพมา่า จากนั้นภาพของโยมพ่อก็าหายวับไปจึงเป็นอันรู้แน่แล้วว่าโยมพ่อได้ถึงแก่ชีวิตแล้วหลวงปู่แหวนก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่งการพัดพรากจากกันตลอดชาตินี้ระหว่างโยมพ่อกับท่านไม่ได้ทำให้หลวงปู่แหวนเศร้าโศกอะไรจนฟูมไฟเนื่องจากท่านรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แหละไม่มีสรรพสิ่งอะไรในโลกนี้ที่ตั้งอยู่ ดำรงอยู่อย่างคงที่เกิดมาก็ต้องมีดับเกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องวนเวียนกลับมาเกิดใหม่อีกเป็นวัตฏะแห่งความทุกข์อยู่อย่างนี้เว้นแต่จะตัดขาดกองกิเลสทั้งหลายได้สําเร็จเด็ดขาดด้วยมรรคผลนิพพานในชาตินี้เท่านั้นเวลาผ่านไปอีกหลวงปู่แหวนก็มุ่งมั่นกระทําความเพียรเพื่อรู้เห็นบรรลุถึงโกอโลกุตระธรรม วันหนึ่งเมื่อท่านเข้าที่ภาวนาก็เกิดความระลึกถึงโยมแม่อย่างมากไม่รู้ว่าท่านอยู่สุขสบายดีหรืออย่างไรก็อธิษฐานจิตถึงโยมแม่เมื่อเดินจิตเข้าสู่สมาธิก็ปรากฏเห็นโยมแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขโยมแม่บอกท่านว่าลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่อยู่สุขสบายดีพร้อมกับชี้มือให้ดูสถานที่อยู่อยของแม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รื่นรมเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่แหวนก็ทราบว่าโยมแม่สิ้นอายุไปอีกคนแล้วตั้งแต่นั้นท่านก็หมดห่วงโยมแม่ด้วยเห็นว่าท่านไปสู่สุขติที่ดีหมดกังวลถึงโยมทั้งสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อหลวงปู่แหวนมาอยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็ออกตุดงสแสวงหาสถานที่ซึ่งเหมาะสมแก่ความวิเวกนั่นก็คือสถานที่ซึ่งห่างไกลผู้คนแวดล้อมด้วยป่าเขาพงไพรอันสงบเงียบ มีที่บินธบุรพอเลี้ยงชีวิตไปได้โดยไม่ทําความเดือดร้อนให้แก่ใครหลวงปู่แหวนบําเพ็ญทำอยู่ที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องต่อมาท่านทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์วัดบรมนิวาสอาพาธเนื่องจากขาหักหลวงปู่แหวนก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาดูแลพยาบาลท่านด้วยความห่วงใยเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีมีอาการดีแล้วประกอบกับจวนจะเข้าัรรษาท่านจึงกราบลากลาักลบไปอยู่เชียงใหม่อีก มาถึงถ้ำแก่งหลวงปู่แหวนก็พบกับหลวงปู่ขาวอนาลโยสิทธิ์อีกองหนึ่งของพระอาจารย์มั่นก็ชวนกันไปนมัสการพระอาจารย์มั่นที่ป่าเมียงห้วยทายอำเภอพร้าวเชียงใหม่ท่านอาจารย์มั่นได้เมตตาสั่งสอนย้ำอุบายแนวปฏิบัติเพิ่มเติมให้ทำให้หายค้องใจหายสงสัยในข้อปฏิบัติของตัวที่กำลังดำเนินอยู่ใกล้จะเข้าพรรษา พระอาจารย์มั่นก็สั่งให้แยกย้ายไปจำมรนสาที่ไกลๆเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของโยมอุปถักตซึ่งเป็นชาวบ้านป่าเมี่ยงห้วยทรายมีอยู่ห้าหกหลังคาเรือนเท่านั้นชาวบ้านป่าเมี่ยงห้วยทรายมีอาชีพปลูกเมี่ยงแล้วก็หาของป่าไปขายมีความเป็นอยู่อย่างสมถะชุมชนเล็กๆแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าเวลาจะออกมาติดต่อกับโลกภายนอกค่อนข้างลําบากเนื่องจากต้องข้ามห้วยข้ามป่าเป็นระยะทางไกล หลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวก็เลยตกลงกันไปจำพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปังสถานที่นั้นมีหมู่บ้านพออาศัยบินทบาทได้ในพรรษานั้นหลวงปู่ทั้งสองก็ไปจำพรรษาที่สถานที่ที่ว่า น, นี้พรรษาต่อมาหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวก็ไปจำพรรษาที่ดอยน้โมซึ่งเป็นเทือกเดียวกับดอยแม่ปังออกพรรษาปีนั้นพระอาจารย์มั่นพร้อมด้วยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อ ได้ไปบำเพ็ญธรรมที่เทือเขาเชียงดาวโดยแยกกันอยู่คนละที่เทือเขาเชียงดาวเป็นป่าเขาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นรมนียสถานของพระปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งภูมิอากาศเย็นสบายป่าที่ปกคลุมทิวเขาภูดอยเป็นป่าบริสุทธิ์ยังไม่ถูกพวกบุกรุกทําลายป่าเข้าไปรังกวานชาวบ้านซึ่งเป็นชาวป่าชาวดอยมีจิตเป็นกุศลยินดีบำรุงพระกรรมฐานด้วยใจผ่องแผ้ว ก็ทำให้พระพออยู่ได้ไม่อดอยากเดือดร้อนในปีพศออนั้นสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไม่ยุติก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจแก่ชาวบ้านละแวกนั้นนั่นก็คือปรากฏว่ามีพวกมิจฉาชีพออกอรารวาสลักขโมยปล้นสะดมมีการฆ่ากันเบียดเบียนชีวิตกันแทบทุกวันบางวันมีคนตายถึงสองสาคนความเป็นปกติสุขจางหายไปจากพื้นที่แถบนั้น ต่อมาก็เกิดโรคระบาดซ้ําเติมเข้ามาอีกมีคนเสียชีวิตเพราะโรคร้ายที่นั่นที่นี่อีกจํานวนหนึ่งพระจานทร์มั่นปรารบกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อให้ช่วยกันแผ่เมตตาให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้นเถอะบางทีสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเพราะเวลานั้นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทุกครัวเรือนอยู่กันด้วยความหวาดกลัวทั้งกลัวพวกเสือปล้นโจรร้ายจะเข้ามาแย่งชิงทรัพย์สินทําอันตรายแก่ตัว แล้วก็หวาดกลัวโรคระบาดจะลุกลามมาฆ่าเอาชีวิตแม้ท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อจะร่วมกันแผ่เมตตาแค่ไหนสถานการณ์เลวร้ายก็ยังไม่ดีขึ้นพระอาจารย์มั่นท่านก็พิจารณาดูก็ทราบมูลเหตุอย่างความเดือดร้อนที่ปรากฏแก่ชาวบ้านเหล่านี้ว่าเป็นเพราะกรรมของพวกเขาเองถึงจะแผ่เมตตาก็ช่วยอะไรไม่ได้เนื่องจากพลังแห่งกรรมรุนแรงเกลี้ยกราดมากกว่า สิ่งที่พระอาจารย์มั่นทำได้ก็คือพยายามเทศแสดงธรรมอบรมชาวบ้านบางกลุ่มบางพวกที่หลงผิดประพฤติตัวเป็นมิจฉาชีพให้เลิกละจากทุจริตเสียชี้แจงให้เห็นโทษภัยของบาปเวนทั้งหลายแต่การแสดงธรรมของท่านไม่สามารถจะกรอมกล่าวจิตใจอันหยาบกระด้างของผู้ที่หลงผิดให้เกิดสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษขึ้นมาได้เลยกระทั่งถึงปลายสงครามทางการก็ได้ปราบปรามอย่างหนัก ทำให้พวกมิจฉาชีพนี้แยกย้ายหนีหายไปหมดสิน้นโรคระบาดก็หายไปความสงบสุขจึงกลับคืนมาสู่เชียงดาวอีกครั้งหนึ่งบนเทือกเขาเชียงดาวนมีถ้ำอยู่มากมายหลายถ้ำพระปฏิบัติใช้ประโยชน์จากถ้ำเหล่านี้ได้เต็มที่โดยใช้เป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นที่ภาวนาถ้ำแต่ละถ้ำสงบสงัดเหมาะสมกับการปฏิบัติทางจิตเป็นอย่างยิ่งมีถ้ำแห่งหนึ่งเรียกว่าถ้ำหลวงเป็นถ้ำซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเข้าไปพัก ภายในถ้ำหลวงมีถ้ำพญานาคอยู่ด้วยโดยแยกขึ้นไปทางซ้ายมือจะเป็นถ้ำเล็กๆอยู่เหนือถ้ำหลวงอีกชั้นหนึ่งที่ถ้ำนี้พื้นถ้ำเป็นก้อนหินรูปกงจักกับดอกบัวมีพญานาคเฝ้าอยู่ใต้ถ้ำนี้พญานาคตนนี้มีจริตนิสัยคอยจ้องจับผิดพระที่เข้าไปปฏิบัติในถ้ำเวลาพระนั่งภาวนากระดุกกระดิกเคลื่อนไหวพญานาคก็จะกล่าวตำหนิกล่าวหาว่าสมณะอะไรไม่สมรวมเอาซะเลย ขนองกายเหมือน ก, เกัเด็กๆเวลาพระเดินสะดุดก้อนหินดังแกร ก, ก, กพยานนาคก็จะตำหนิอีกว่าสมณะอะไรเวลาจะเดินเหินก็ไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเหมือนม้าวิ่งไม่ว่าจะทำอะไรซึ่งเป็นความบกพร่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆพยานนาคเธอก็จะกล่าวโทษตำหนิได้ทุกเรื่องเวลาพระปฏิบัติเข้ามาจเจริญสมาธิเมื่อส่งจิตออกไปก็จะเห็นพญานาคในคอยจ้องมองจับผิดไม่กระพริบตา ท่านพระอาจารย์มั่นก็เคยเข้าไปภาวนาที่ถ้ำพญานาค ก, ก็ไม่เว้นจะถูกตำหนิกล่าวโทษท่านก็เลยเทศนาอบรมแนะนําแต่พญานาคก็ไปยอมรับคำแนะนํำนั้นท่านเห็นว่าเมื่อเข้าไปแล้วทาความวุ่นวายราคาญให้แก่พญานาคที่ว่านี้ก็เลยละเว้นไม่เข้าไปอีกหลวงปู่แหวนก็เคยเข้าไปภาวนาที่ถ้ำพญานาคอยู่ได้วันเดียวก็หลีกออกมาเสียหลวงปู่ตื้อเข้าไปสามวันก็ต้องออกมาเหมือนกัน เพราะเวลาส่งใจออกไปครั้งไหนจะเจอพญานาคคอยจ้องจับผิดตลอดเวลาท่านเห็นว่าจะไปสร้างบาปกรรมให้แก่นาคโดยใช่เหตุก็เลยเลี่ยงออกมาเสียมีแต่พระมหาบุญองค์เดียวที่เข้าไปภาวนาในถ้มนั้นโดยไม่ถูกตำหนิไม่ว่าจะทำเสียงดังกระแอมกระไอเหยียบหินตกรลน่นหรือแตะหินกระเด็นพญานาคก็เฉยไม่แยแสสนใจเนื่องจากจริตมันต้องกันถว่าการเข้าไปภาวนาในถ้ำพญานาค ไม่มีท่านใดจะเข้าไปอยู่ได้นานเนื่องจากการถ่ายเทของอากาศไม่ดีก็ทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายในที่สุดก็ไม่มีพระปฏิบัติองค์ไหนเข้าไปรบกวพนพญานาคตนนั้นอีกเลยการจําพรรษาบนเทือกเขาเชียงดาวของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อไม่ได้จำพรรษาอยู่รวมในที่เดียวกันพระอาจารย์มั่นอยู่ที่ถ้าหลวงหลวงปู่ตื้ออยู่ที่ถ้าปากเพียงหลวงปู่แหวนก็ไ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปจำพรรษาอยู่ที่ต้นทาน้ําไหล วันพระแปดค่ำส5บห้าค่ำถึงจะมารวมกันณที่อยู่ของท่านพระอาจารย์มั่นคือที่ทุกคนมารวมกันก็เพราะว่ามาฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วก็ทาอุโบสถสำหรับวันปกติพอกลับจากบินธบาตฉันแล้วก็จะแยกย้ายกันไปยังที่ภาวนาของตนตอนเย็นใกล้จะค่ำ บนดอยสูงที่โอบล้อมเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นสายหมอกมันครอบคลุมหนักขึ้นพร้อมกับความหนาวเย็นก็เริ่มจะเยือกตามมาป่าดิบดงดอยอันสงบสงัดนอกจากเสียงนกเรียกขานกันบนคาคบไม้สูงแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นมารบกวนความมีเวกแห่งนั้นที่นั่นเป็นที่ราบเล็กๆ กลางแมกไม้สูงขนาดพระทุดงกรรมฐานรูปหนึ่งห่มครองจีวรเก่าคร่ำเป็นปริมณฑลกำลังเดินจงกรมอยู่ณนะทางเดินแคบๆที่ปรับพื้นให้เรียบพอสะดวกแก่การยืนแล้วก็ย่างเหยียบด้วยเท้าเปล่าสมณะรูปนั้นเคลื่อนไหวเชื่องช้ากำหนดเท้าให้ยกย่างเหยียบไปทีละก้าวแต่ละก้าวก็เป็นไปโดยมีสติรับรู้ควบคุมทุกเสี้ยวอิริยาบถ จิตของท่านตรึงติดสนิทแน่นอยู่กับกิริยาที่กำลังทำอยู่ไม่วอกแวกหวั่นไหวเวลานั้นเย็นมากแล้วภิกษุรูปนั้นก็ไม่ได้สนใจต่อธรรมชาติซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามปกติวิสัยของมัน ท่านนั้นก็คล้ายมีสายลมกันโชกแรงกล้าเข้าปะทะยอดไม้แล้วก็มีเสียงดังสนัน่นเหมือนกับกิ่งก้านต้นยางใหญ่ที่ตรงานอยู่ข้างทางเดินจงกรมจะหักถลม่มพระภิกษุท่านก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็เบือนหน้าหันไปมองที่มาของเสียงที่รบกวนสมาธิท่านที่ต้นยางใหญ่สูงเสียดว่า มีร่างของอมนุษย์ปรากฏขึ้นมันเกี่ยวเท้าไว้กับกิ่งยางบนย่อสูงและห้อยหัวลงมาเรียกับพื้นดินตลอดร่างก็บวมฉุดำคล้ำสกรปรกมีเพียงเศษผ้ารุ่งริ่งพันเอาไว้ตรงสะโพกผืนเดียวใบหน้าคนหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือเกินตาเหลือกถลนขุ่นแดงเหมือนตาสัตว์บาดเจ็บที่กำลังทุกข์ทรมานผมยาวเหยียดเป็นกระเซิงย้อยลงมาระดิน แล้วมันก็กำลังไกวร่างไปมาช้าๆถ้าไม่ใช่พระทุดงกรรมฐานผู้เขี้ยวกรัมดวงจิตด้วยธรรมปฏิบัติจนแข็งแกร่งก็คงอกสันขวัญกระเจิงเลดิดหนีไปอย่างไร้สติแล้วแต่พระภิกษุรูปนี้ไม่ได้มีความหวั่นไหวแม้แต่น้อยท่านพิจารณารูปกายหน้ากลัวของอามนุษย์ตนนี้ด้วยความเวทนาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาเดินจงกรมต่อ ตราบจนกระทั่งครบเวลาที่กำหนดเอาไว้พระภิกษุรูปนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวผ่อนคลายจิตออกจากสมาธิเหลียวมองไปยังต้นยางใหญ่คราวนี้ก็ไม่ปรากฏรูปของอามนุษย์ตนนั้นแต่อย่างใดพระคุณเจ้าผู้ซึ่งดันด้ น, ดนมาสู่ป่าใหญ่แต่ตามลำพังก็ละจากทางเดินจงกรมตรงไปยังเงื่อมผาซึ่งเป็นที่พักพิงขณะบาเพ็ญสมณธรรมก็เตรียมสงน้ำที่ลาธาร คืนนั้นใต้เงื้อมผาที่อับลมด้านบนก็เป็นเหมือนหลังคาพระธุดงรูปนี้ก็นั่งสงบอยู่ในความสงัดหวังเวงอรุณรุ่งวันรุ่งขึ้นวิถีชีวิตแห่งป่าเขาลำนาวไพรก็เริ่มดำเนินไปเหมือนกับที่เคยเป็นมาทุกวันฝูงวิหกนกกาก็ถลาร่อนจากกรังออกไปหาอาหารตั้งแต่ขอบว่า เรื่องเรืองแสงอุทยัยสัตว์ที่หากินกลางคืนก็ย้อนกลับถิ่นที่พักหลับนอนสัตว์หากินกลางวันก็สวนทางออกไปสู่แหล่งอาหารดำรงชีพพระธุดงผู้จาริกมาสู่เสนาสนะป่าครองจีวรสะพายบาเรียบร้อยก็ออกโครจรบินทบาทตามกิจของสงฆ์มุ่งสู่หมู่บ้านเล็กๆ เ, เ, เชิงดอยไกลโพน ตั้งแต่อรุณเบิกฟ้าเหมือนกันพระธุดงกรรมฐานผู้จาริกมาปฏิบัติสมณธรรมบำเพ็ญความเพียรรูปนี้คือหลวงปู่แหวนสุจินโนจากภาคอีสานถิ่นเกิดสู่ภาคเหนือแล้วก็พึงพอใจต่อภูมิอากาศตลอดจนป่าเขาลำนาวไพรอันบริสุทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อหลวงปู่แหวนขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนภูดอยเทือเขาเชียงดาวเพียงรูปเดียว ก็ได้พบกับการปรากฏกายของอะมนุษย์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบิญยาณที่มีความเป็นมาแต่อย่างไดท่านก็ไม่ได้ใส่ใจต่อรูปกายของพวกต่างพบต่างภูมิแม้แต่น้อยใครจะมาใครจะไปไม่ใช่ภาวะที่สมณะจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วในวันต่อมาเวลาเดิมอมนุษย์ตัวที่ว่านี่ก็มาปรากฏกายที่ต้นยางใหญ่อีกโดยแสดงอาการเหนียวเท้ากับกิ่งยอดยางแล้วก็ห้อยหัวลงมาเรียดดิน จ้องมองมาที่หลวงปู่แหวนที่เดินจงกรมอยู่ไม่ฆ่าสายตาเมื่อท่านไม่สนใจไม่มองอมนุษย์ก็จะหายไปเช่นที่มาให้เห็นในครั้งแรกการแสดงรูปกายน่ากลัวให้เห็นอย่างนี้เหมือนกับต้องการให้พระภิกษุหวาดกลัวจนทนอยู่ที่แห่งนี้ไม่ได้แต่ว่าความน่ากลัวอะไรเราที่จะสามารถโยกคลอนจิตใจของ หลวงปู่แหวนผู้ไม่พลั้นพึงแม้แต่ความตายท่านก็บำเพ็ญสมณธรรมต่อไปที่เก่านะเพราะว่ามันยังไม่ครบวันที่ท่านตั้งใจเอาไว้แล้วในหลายวันที่ล่วงเลยมาอามนุ์ตัวที่ว่านี่ก็กลับเงียบหายไม่มาปรากฏกายรบวนอีกจนกระทั่งถึงเย็นย่ำอีกวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่แหวนสุจินโนกำลังเดินจงกรมโดยสงบฉับพลันก็เกิดกระแสลมกันโชกประทะยอดไม้ค ร, وم, ครมคล้ำ แล้วก็เสียงกิ่งยางใหญ่เหมือนกับจะหักถล่มตามมาเป็นสัญญาณว่าอะมนุษย์ตนเดิมนี่มาปรากฏกายอีกแล้วเมื่อหลวงปู่แหวนหันไปดูก็มองเห็นรูปกายอันน่าพรั่นพึงห้อยหัวจ้องด้วยสายตาที่เหลือกถลนโยกตัวแขวงไปแขว่งมาช้าๆคราวนี้หลวงปู่ก็คิดว่าเออสุรกายตัวนี้มาปรากฏให้เห็นซ้ำซากหลายครั้ง อาจไม่ใช่แสดงกายหลอกหลอนด้วยเจตนาร้ายก็ได้อาจจะมีเจตนาอย่างอื่นแอแฝงจะต้องลองสอบถามดูท่านก็สำรวมจิตรับกระแสรู้แล้วก็กำหนดจิตถามออกไปว่าเธอผู้มีภพชาติต่างจากเราไม่รู้เลยหรือว่ากำลังก่อบาปสร้างเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกโดยการมารบกวนบันทอน การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้กระผมมิได้มีเจตนาร้ายรบควนพระคุณเจ้าที่มาปรากฏตัวก็หวังจะขอความเมตตาครุณาจากพระคุณเจ้าเท่านั้นนะขอรับเธอเป็นใครละ่ะสร้างกรรมอะไรไว้ถึงได้มีสภาพหน้าอาเนตอานาถถึงขนาดนี้ กระผมทนทุกทรมานแสนสาหัสในสภาพของเปรตเช่นที่หลวงพ่อได้เห็นมานานแล้วปรารถนาจะหลุดพ้นไปจากอัตภาพอันราอร้อนทรมานที่เป็นอยู่อย่างที่สุดแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจและช่วยผมได้เลยหลายครั้งแล้วที่ปรากฏกายให้คนอื่นเขาเห็นเพื่อว่าเขาจะเวทนาช่วยเหลือแต่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวเขมีแต่สร้างความสะดุ้งกลัว จงกระตั้งผู้พบเห็นเขาหนีหายไปหมดนะครับแล้วเปรตตัวนี้ก็เล่าเรื่องกรรมที่ก่อไว้ขณะที่ตัวเองมีชีวิตเป็นมนุษย์ให้หลวงปู่แหวนได้รับรู้เปรตเล่าว่าเมื่อตอนที่เขาเกิดมาเป็นคนอาศัยอยู่ในละแวกเชิงดอยแห่งนี้แต่ว่าเขาเป็นคนผ่านสันดานหยาบช้าไม่เคยเชื่อว่าบาปกรรมมีจริง ก็มัวเมาอยู่แต่ในความชั่วมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่เสพสุรายาเมาเล่นการพนันกระทั่งไปเข้ากับพวกมิจฉาชีพคุ้มพวกออกปล้นสะดมชิงทรัพย์คนอื่นเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าทรัพย์รายไหนฮึดสู้เพราะห่วงห่วงสมบัติก็จะถูกเข็นฆ่ากลายเป็นศพตายคาบ้านอย่างหน้าอนาถแม้ว่าตัวจะไม่เชื่อถือพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา แต่มีความเคารพนับถืออย่างงมงายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้ำเชียงดาวก่อนจะออกไปประพฤติชั่วปล้นฆ่าคนอื่นก็จะมากราบไหว้ขออานาจศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปองค์นี้ให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาและขอให้สําเร็จสมปรารถนาในการทําทุจริตชั่วช้านั้นทุกครั้งไปเมื่อปรากฏว่าทําชั่วสําเร็จปลอดภัยทุกครั้งก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าเป็นการบันดาลของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ความฮึกเหิมทรนงก็ได้เพิ่มพูนเป็นทวีคูณโดยหารู้ไม่ว่าพลังแห่งกรรมชั่วยังไม่ถึงเวลาวาระที่จะแสดงผลให้เห็นเท่านั้นครั้งสุดท้ายที่จะไปปล้นสะดมเจ้าทรัพย์รายหนึ่งตัวกระหมูพวกก็มากราบไหว้พระพุทธรูปที่ถ้ำเชียงดาวขอให้อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเหมือนเดิมแต่การปล้นคราวนี้เกิดล่วงรู้ไปถึงเจ้าทรัพย์ก่อน ฝ่ายเจ้าซัพก็เตรียมตั้งรับต่อสู้สุดริดไม่ยอมให้พวกโจรข่มเหงชิงทรัพย์ไปไง่ายๆดังนั้นเมื่อตัวกับพวกบุกเข้าปล้นก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นฝ่ายโจรสู้ไม่ได้ก็จำต้องถอยหนีกระเจิกระเจิงส่วนตัวนั้นก็ถูกฟันได้แผลชะกันติดตัวมาด้วยก็สมสารตะเลิดหนีมายังถ้ำเชียงดาวขณะนั้นจิตใจพุ่งพล่านด้วยความอาฆาตแค้นสุดขีดถึงกับตั้งใจว่าจะหายจากบาดเจ็บเมื่อไหร่ จะกลับไปเข็นฆ่าเจ้าทรับบ้านนั้นให้หมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่คนเดียวพอมาถึงถ้ำก็พานโกรธเครืองพระพุทธรูปที่ไม่ช่วยเหมือนกับครั้งก่อนใช้ขวานฟันกระนำเข้าใส่แทจบจะบันพระเศียรหลุดจากองค์พระแต่ว่าบาดแผลที่ตัวได้รับมานะสาหัสมากทนเจ็บปวดทรมานอยู่ได้ไม่นานก็มอฟุบขาดใจตายอยู่ในถ้ำเชียงดาวนั่นเอง ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ได้สิ้นสลายหายสูญไปอย่างที่เคยคิดแต่ไปผุดเกิดเป็นเปรตตามแรงกรรมที่ก่อไว้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสยิ่งกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่ากี่เท่าต้องวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณรอบถ้ำเชียงดาวเรื่อยมาได้แต่หวังว่าจะได้พบกับพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธ์ช่วยพ้นทุกข์ทรมานไปเสียทีแต่ก็ไม่มีใครเมตตาสงสารช่วยได้เลย เมื่อพบหลวงปู่แหวนและท่านได้รับรู้ความเป็นมาของตัวอย่างนี้แล้วก็ขอความเมตตาสงสารช่วยสงเคราะห์ให้ผ่อนคลายทุกขเวทนาที่กําลังได้รับด้วยหลวงปู่แหวนท่านทราบสาเหตุการปรากฏตัวของเปรตตนนี้แล้วก็รู้สึกสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังตระหนักว่าบาปเวรและกรรมชั่วที่เปรตสร้างสมเอาไว้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นบาปมหัน และเป็นกรรมหนักที่ตัวมันเองต้องได้รับผลแห่งกรรมอย่างเลี่ยงหนีไม่ได้แม้จะอย่างรู้ว่ากฎแห่งกรรมย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ดวงจิตของพระนะ่อ่อนโยนด้วยความเมตตาและเวทนาหลวงปู่แหวนก็หลับตาสารวมจิตน่วงเอากุศลกรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาในร่มกาสาวพัดตลอดพลังแห่งกุศลที่เกิดจากการบาเพ็ญธรรมวิปัสสนากรรมฐานแผ่ออกไปด้วยความเมตตา สู่มนุษย์ผู้เราร้อนทุกทรมานจากกรรมหนักของตัวเองเมื่อท่านลืมตาขึ้นรูปกายของเปรตที่ห้อยหัวลงมาจากยอดยางใหญ่ก็อันตรธานไปหมดมีเพียงพยาไม้สูงงลางแผ่กิ่งก้านพุ่มใบให้ความร่มเย็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาหลวงปู่แหวนท่านก็หันมากําหนดกิริยาเดินจงกรมยกย่างเหยียบสืบท้าก้าต่อไปเป็นปกติ นับจากวันนั้นเป็นต้นมาอะมนุษย์หรือเปรตตัวนั้นก็ไม่เคยปรากฏรูปกายให้ใครเห็นอีกเลยตราบกระทั่งหลวงปู่แหวนจาริกทุดงจากภูดอยเชียงดาวต่อไปตามเส้นทางธรรมของท่านหลวงปู่แหวนพบกับเปรตต้นนี้ขณะที่ท่านจาริกทุดงมาบำเพ็ญสมณธรรมที่ภูดอยเทือกเขาเชียงดาวท่านได้บอกเล่าไว้อีกว่าเปรตตัวนี้ใช้สรรพนามเวลาพูดแทนตัวเองว่าผม ซึ่งมนุษย์ที่ท่านเคยประจนมามักจะใช้คำว่าข้าหรือไม่ก็เราไม่เคยมีตนไหนใช้คำว่าผมเลยปีพศ .2489 หลวงปู่แหวนจำบันษาอยู่ที่วัดป่าบ้านปงอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าบ้านปงเวลานั้นร้างพระร้างเนนมีหลวงปู่แหวนองเดียวที่จำบันษาอยู่ที่นั่น แต่แรงนั้นท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายคงบําเพ็ญสมณธรรมอย่างสงบพรรษานั้นหลวงปู่แหวนเกิดอาพาธเป็นแผลอักเสบที่ขาเรื้อรังได้รับเวทนาทรมานมากเมื่อแผลกําเริบก็ทําให้ท่านไปบินธบาติไม่ได้ญาติโยมก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรก็ทําให้ท่านได้รับความลําบากเวลานั้นพระอาจารย์หนูสุจิตโตพักบําเพ็ญอยู่ที่ดอยแม่ปังวันหนึ่งมีคนไปส่งข่าวให้พระอาจารย์หนูทราบว่าหลวงปู่แหวนอาพาธ พระอาจาร์หนูก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมท่านกลางดึกคืนนั้นขณะที่พระอาจาร์หนูกำลังเจริญสมาธิก็เกิดนิมิตเห็นหลวงปู่แหวนนอนอยู่บนพื้นดินออกจากสมาธิแล้วพระอาจาร์หนูก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นกังวลอย่างมากก็พิจารณาสังหอนใจว่าคงเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับหลวงปู่แหวนแน่วันรุ่งขึ้นพอฉันเสร็จแล้วอาจาร์หนูก็ตัดสินใจเดินทางไปวัดบ้านปงทันที เมื่อไปถึงวัดพระจันร์หนูก็ตกใจเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนอาภาษหนักแผลอักเสบที่ขาเป็นหนองบวมเป่งมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงผสมเข้าไปอีกพระจันร์หนูก็ให้โยมอุปถักต์ชาวบ้านปงไปตามหมอจี้หมอจี้คนนี้อดีตเคยเป็นทหารเสนารักมาก่อนมีพื้นความรู้ทางด้านแพทย์มาพอสมควรแล้วก็สามารถผ่าตัดขนาดเล็กได้หมอจี้มาเห็นอาการอักเสบของหลวงปู่แหวน ก็แนะนําว่าต้องผ่าตัดเอาหนองกับเนื้อส่วนที่เน่าทิ้งไปถึงจะทุเลาพระอาจารย์หนูก็ตัดสินใจให้ผ่าตัดหลวงปู่แต่หมอจี้ไม่มียาสลบหรือว่ายาชาก็จําเป็นจะต้องผ่ารันสดๆอย่างนั้นพระอาจารย์หนูกราบเรียนหลวงปู่แหวนบอกว่าต่อไปนี้หมอเขาจะผ่าเอาโรคร้ายออกไปผ่าเอาความเจ็บปวดออกไปจากตัวหลวงปู่นะเขาไม่ได้ผ่าหลวงปู่นะเขาผ่าดินผ่าน้ํา ่าลมมพาไฟตะหกักหลวงปู่แหวนท่านก็บอกเออจากนั้นหลวงปู่แหวนก็สำรวมจิตเข้าสมาธิทันทีหมอจี้ก็ลงมือพาแผลอักเสบตรงขาหลวงปู่โดยมีพระอาจารย์หนูเป็นผู้ช่วยจัดการตัดเอาเนื้อเน่าตรงปากแผลออกจนหมดเปลี่ยนสภาพจากแผลเน่าเป็นแผลสดเริ่มพาตัดกันตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นกว่ากว่าใช้เวลาชั่วโมงเสร็จถึงได้แล้วเสร็จ ระหว่างที่หมอจี้ผ่าตัดหลวงปู่แหวนนอนหลับตานิ่งเฉยปล่อยให้หมอจี้ลงมีดตามสบายโดยท่านไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวกระทั่งหมอจี้ทำความสะอาดแผลเย็บแผลและพันผ้าผ้าให้เรียบร้อยอีกประมาณห้านาทีต่อมาหลวงปู่แหวนถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิพระอาจารย์นหนูก็ถามท่านหลวงปู่เจ็บไหมครับก็พอสมควร หลังจากผ่าตัดก็ไม่มียาแก้ปวดถวายให้ท่านฉันบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งท่านก็ไม่ได้สแสดงอาการเวทนาอะไรออกมาคงมีความเป็นปกติตลอดเวลาคล้ายกับไม่ได้ผ่านการผ่าตัดมาก่อนซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาคงได้ร้องโอดโอยกันลั่นไม่ตั้งแต่ถูกคมมีดผ่าตัดกรีดลงไปในเนื้อสดๆแล้วหลังผ่าก็คงจะต้องร้องทั้งคืนอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นหมอจี้ก็มาล้างแผลให้หลวงปู่ หลวงปู่ก็บอกว่าวันนี้เบาๆหน่อยนะหมอนาะเมื่อวานนี้มือหนักไปหน่อยระหว่างที่หมอจี้ล้างแผลให้ท่านก็ไม่พูดอะไรไม่แสดงกิริยาอะไรก็นอนนิ่งเฉยให้ชําระล้างแผลจนกระทั่งแล้วเสร็จทั้งที่การทำแผลอย่างเนี้ยย่อมสร้างความเจ็บปวดให้เป็นอย่างมากพระอาจารย์นหนูเฝ้าดูแลอุปถากหลวงปู่แหวนจนครบเจ็ดวันก็ต้องกลับดอยแม่ปัง เนื่องจากขณะนั้นเป็นการเข้าพรรษาก่อนไปก็สั่งกำชับโยมอุปถากให้ช่วยดูแลท่านอย่างดีเพราะว่าท่านยังเดินไม่ได้จากนั้นก็กลับดอยแม่ปังอาการอาพาธของหลวงปู่แหวนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงเดือนเมษายนปีต่อมาอาการอาพาธก็หายสนิทท่านสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แต่ยังไปไกลๆไม่ได้ระหว่างนี้พระอาจารย์หนูได้เดินทางมาดูแลอุปถากท่านบ่อยๆ พระยัหนูมาคิดติตรองผู้เดียวว่าหลวงปู่แหวนก็มีอายุสูงวัยแล้วพระเนนจะถวายการอุปถามก็ไม่มีญาติโยมซึ่งช่วยดูแลท่านก็ไม่อาจจะทําอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องได้เพราะว่าเขาก็มีภาระส่วนตัวตัวจึงอยากจะนําหลวงปู่แหวนมาอยู่ที่ดอยแม่ปังเสียเลยจะได้ถวายการดูแลท่านได้เต็มที่แต่ก็มีข้อขัดข้องหลายอย่างวัดดอยแม่ปังเวลานั้นยังไม่มีเสนาสนะถาวรให้พักอาศัยได้ สภาพวัดยังเป็นป่าล้วนๆปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆก็ขาดแคลนอีกข้อหนึ่งก็คือโยมอุปถักตชาวบ้านปงจะยินยอมยินดีให้หลวงปู่แหวนมาอยู่ที่ดอยแม่ปังหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ความนึกคิดอย่างนี้ของพระอาจารย์หนูก็ได้แต่คิดอยู่คนเดียวไม่ได้แพร่งพายคนอื่นได้รับรู้ด้วยเลยจนกระทั่งถึงปี2 5งพหลวงปู่แหวนอายุได้75ห้าปีสังขารขันร่วงโรยเป็นปกติของผู้สูงวัย แต่หลวงปู่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงคืนหนึ่งขณะที่พระอาจาร์หนูนั่งภาวนาก็ได้ยินเสียงหลวงปู่แหวนดังที่หูว่าจะมาอยู่ด้วยนะพระอาจาร์หนูคิดว่าหูแว่วไปเองหรือว่าเป็นเสียงที่จิตสร้างขึ้นมาหลอกก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ลืมเรื่องนี้ซะสนิทกระทั่งอีกสามวันต่อมามีศรัทธาญาติโยมจากบ้านปงมานิมนต์ให้ไปรับทยทานที่วัดบ้านปงพระอาจาร์หนู รับนิมนต์แล้วก็นึกถึงเสียงหลวงปู่แหวนที่เคยดังเข้าหูวันนั้นหลังจากฉันเสร็จแล้วพระอาจารย์นหนูก็ได้ปรารภกับศรัทธาญาติโยมชาวแม่ปังบอกว่าหลวงปู่แหวนท่านมีอายุมากแล้วหากจะอาราธนาท่านมาจำพรรษาที่วัดแม่ปังเป็นการถาวรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นประการใด สัตยาญาติโยมชาวแม่ปังก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ขัดข้องแล้วก็ยินดีถวายการอุปถักพระอาจารย์หนูก็บอกว่าวันไปรับทายาทานจะลองอาราธนาท่านเมื่อถึงวันไปรับทายาทานที่วัดบ้านปงพระอาจารย์หนูก็ได้เดินทางไปที่วัดพร้อมด้วยชาวบ้านแม่ปังอีกสองคนไปถึงวัดบ้านปงแล้วหลวงปู่แหวนก็ถามพระอาจารย์หนูว่า วันนี้มีโยมศรัทธามาด้วยกี่คนล่ะพระอาจาร์หนูก็ตอบว่าเออมาด้วยกันสองคนก็รับดีลวละวันนี้รับทานเสร็จแล้วให้เอาบริขาร ข, ของอาตมาไปด้วยนะจะไปอยู่ที่แม่ปังด้วยพระอาจาร์หนูรับฟังหลวงปู่แหวนกล่าวอย่างนั้นก็รู้สึกยินดีเพราะว่าตรงกับความประสงค์ของตัวอยู่แล้ว ดังนั้นหลังจากเสร็จกิจที่วัดบ้านปงแล้วหลวงปู่แหวนก็ร่วมทางมาพร้อมกับพระอาจารย์หนูและโยมบ้านแม่ปังอีกสองคนเส้นทางระหว่างบ้านปงกับบ้านแม่ปังก็ไกลพอสมควรทีเดียวจากบ้านปงต้องมาพักวัดป่าบ้านช่อแลหนึ่งคืนหลังจากฉันเสร็จแล้วประมาณสิบนาฬิกาก็ออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งเส้นทางช่วงนี้ต้องผ่านบ้านใหม่บ้านแม่วะ เดินลัดตัดป่าข้ามห้วยข้ามเขามาเรื่อยๆจนถึงบ้านแม่ตองบ้านแม่แพงสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่มีต้องใช้ทางสัญจรด้วยเท้าของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านที่ใช้ติดต่อกันเป็นทางเดินเส้นทางเลาะลัดไปในป่าดงและไต่เรียบไล่เขาไปตลอดทางหลวงปู่แหวนเวลานั้นแม้จะมีอายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ท่านก็เดินเก่งเดินทนเหมือนเดิมในที่สุดก็มาถึงวัดดอยแม่ปังในเวลาหกโมงเย็นใช้เวลาในการเดินติดต่อกันนานถึงเก้าชั่วโมงที่วัดดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนพมนักอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆกุฏิหลังนี้อยู่ในโดงป่าศักอันสงบเงียบเหมาะสําหรับเป็นสถานที่วิเวกธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นที่พอใจของหลวงปู่เป็นอย่างมากการมาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังครั้งนี้ หลวงปู่แหวนมีข้อตกลงกับพระอาจารย์หนูว่าท่านขออยู่อย่างพระผู้เท่าผู้เจริญธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่ข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวัดทุกกรณีหน้าที่ต่างๆเช่นการดูแลรักษาเสนาสนะก็ดีการสั่งสอนพระภิกษุสามเณรก็ดีการต้อนรับแขกการเทศสั่งสอนอบรมชาวบ้านก็ดี การบริหารวัดก็ดีกิจอื่นๆทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไปในวัดนอกวัดให้พระอาจารย์หนูเป็นผู้รับทําไปแต่เพียงรูปเดียวนะนอกจากนี้ท่านยังตั้งสัจจะไว้ว่าต่อไปท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนอย่างเด็ดขาดไม่ว่าใครจะมานิมนต์ให้นั่งรถลงเรือท่านก็จะไม่ไปแม้ที่สุดถึงจะอาพาธป่วยไขย้อาการหนักแค่ไหน ก็จะไม่ไปนอนรักษาในโรงพยาบาลและหากธาตุขันถึงที่สุดจะทรงตัวอยู่ได้ก็ให้ดับไปสิ้นไปในป่าแห่งนี้เช่นเดียวกับอริยะโคตวงซึ่งพระอาจารย์เก่าๆ เ, เคยปฏิบัติมาแล้วหลวงปู่แหวนมาอยู่วัดดอยแม่ปังได้ไม่นานก็เกิดอาภาษตอีกครั้งอาภาษตคราวนี้มีอาการเกิดเป็นตุ่มคันขึ้นทั้งตัวทาให้ได้รับเวทนาเป็นอย่างยิ่ง และนับวันอาการก็กำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆสมัยนั้นทางวัดก็ขาดแคลนไปเสียทุกอย่างไม่สามารถจะเอื้ออำนวยในการรักษาพยาบาลหลวงปู่แหวนได้อย่างเต็มที่พระอาจารย์หนูก็มาณนะพยายามถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถกระนั้นอาการหลวงปู่แหวนก็ไม่ดีขึ้นยาฉีดยากินที่ถวายการรักษาช่วยได้แค่ให้ทุเลาแล้วก็ทรงอยู่เท่าเดิมไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้เลย เมื่ออาการเริ่มหนักขึ้นทุกทีหลวงปู่แหวนก็ได้ขอร้องพระจันหนูให้ช่วยสร้างเตาผิงไว้ในกุฏิของท่านเพื่ออบตัวพระจันหนูก็ขอแรงญาติโยมให้สร้างกุฏิโรงไฟขึ้นหลังหนึ่งโดยปลูกคร่อมกับพื้นดินภายในกุฏิก็ยกพื้นสูงส่วนหนึ่งสําหรับให้หลวงปู่แหวนใช้จําวัดไม้ที่นํามาเป็นฝาและปูพื้นก็มีไม้สารพัดตึงหามาได้ บางแผ่นก็เป็นไม้หลวงผีที่ชาวบ้านใส่ศพคนตายนำมาเผามาฝังหลวงศพเขาก็มอบถวายให้วัดเก็บไว้กุฏิโรงไฟเสร็จแล้วหลวงปู่แหวนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกุฏินั้นภายในกุฏิจะก่อไฟเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหลวงปู่แหวนก็จะอยู่ในนั้นเกือบตลอดเวลาเว้นแต่เวลาออกมาฉันเวลาสงนาแล้วก็เวลาออกมาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถ กุฏิหลังนิยาโยมเขาเรียกว่ากุฏิโรงไฟแต่ว่าหลวงปู่แหวนเรียกกุฏิย่างกิเลสหลวงปู่แหวนอาพาธด้วยโรคตุ่มคันเป็นเวลานา น, านหลายปีซึ่งตลอดระยะเวลานั้นพระอาจารย์หนูได้ถวายการรักษาด้วยการฉันยาบ้างฉีดยาบ้างแต่ว่าอาการก็ไม่ยอมหายต่อมาแม่บูทองกิติบุตรซึ่งเคยเป็นผู้อุปถากคหลวงปู่แหวนมาก่อน มารับภาระเรื่องหายาฉีดยาฉันถวายให้กับหลวงปู่แหวนก็ทำให้ภาระของอาจารย์หนูเบาลงไปบ้างสำหรับแม่บู่ทองท่านนี้ภายหลังได้สร้างกุฏิถวายหลวงปู่แหวนหลังหนึ่งซึ่งท่านก็ได้อยู่ฉลองศรัท ธ, ธาตราบจนท่านมรณาภาพระหว่างที่หลวงปู่แหวนอาพาธด้วยโรคตุ่มคันอยู่นั้นวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่กองปราบโรคเรือนสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข ขึ้นดอยมากราบนมัสการหลวงปู่แหวนพระอาจารย์หนูได้เล่าอาการอพาชให้ฟังแล้วก็ขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นจึงถวายยาสำหรับฉันให้จำนวนหนึ่งแล้วก็แนะนำว่าลองทดลองใช้ดูก่อนหลังจากฉันยาชุดนั้นหมดแล้วอาการตุ่มคันก็ค่อยๆดีขึ้นทุเลาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดพระอาจารย์หนูก็ไปสอหายาขนาด น, นั้นนามาถวายฉันฉันต่ออีก ในที่สุดอาการอาภาษด้วยโรคทรมานนี้ก็หายขาดเพราะยาของเจ้าหน้าที่กองปราบโรคเรื้อนเวลานั้นผิวหนังของหลวงปู่แหวนกลายเป็นสีดำทั้งตัวหลังจากอาการอาภาษหายสนิทผิวหนังของท่านก็ลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นๆ แ, แล้วก็กลับคืนเป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้งแม้ว่าโรครายจะหายขาดไปแล้วหลวงปู่แหวนก็ยังพานักอยู่ที่กุฏิโรงไฟสืบต่อมา แล้วก็ยังก่อไฟเอาไว้เหมือนเดิมกระทั่งพระอาจาร์หนูเข้าไปกราบเรียนว่าท่านน่าจะหยุดย่างไฟได้แล้วซึ่งท่านก็ยอมปฏิบัติตามแต่ยังอยู่ที่กุฏิโรงไฟต่อไปโดยจะออกจากกุฏิเป็นเวลาเช่นเดิมคือเวลาฉันเวลาสงนาแล้วก็เดินจงกรมนอกเหนือเวลาเหล่านี้หลวงปู่แหวนจะอยู่ภายในกุฏิตลอดเวลาหลวงปู่แหวนเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านอาพาธย่างไฟอยู่ในกุฏิโรงไฟ วุติปลูกสร้างอยู่ติดต้ดตนไทรใหญ่เทวดาซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นไทรนั้นต้องลงจากวิมานมาอยู่บนพื้นดินเนื่องจากเทวดาให้ความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีลไม่กล้าอยู่สูงกว่าพระภิกษุหลวงปู่แหวนเห็นว่าเทวดาได้รับความลำบากเนื่องจากท่านจึงขอร้องให้ย้ายไปอยู่ในป่าลึกเสถกด้วยซึ่งเทวดาก็ยอมปฏิบัติตามคําแนะนำของท่าน หลวงปู่แหวนบอกว่าเทวดาไม่ว่าจะเป็นชั้นต่ำหรือชั้นสูงจะให้ความเคารพไม่ยอมล่วงคาระวะธรรมเป็นอันขาดการเข้าการออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูแล้วงามตาชื่นใจไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมักแสดงออกตามความพอใจของตัวเป็นที่ตั้งไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถูกควรแต่อย่างใดบางครั้งการแสดงออกเป็นการเบียดเบียนทาลายจิตใจคนอื่น ก็กล้ากระทำโดยไม่มีความละอายใจเอาซสเลยในด้านเครื่องรางของขลังและก็การปลุกเสกหลวงปู่แหวนท่านพูดอยู่เสมอว่าคนเรานี้แปลกเอาของจริงคือธรรมะให้นี่ไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นเป็นของประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอก จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราไม่สามารถที่จะเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของตัวได้เพราะอินทรียังอ่อนอบรมมายังไม่เข้าถึงเหตุผลก็จะถืออาวัตถุภายนอกเช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูปเหรียญรูปองค์แทนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นๆหลวงปู่ท่านก็ให้ข้อคิดในทางธรรมะว่า วัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะนำไปป้องกันตัวถ้ากรรมมาตัดรอนแล้วป้องกันไม่ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานอำนาจกรรมนั้นไม่มีแต่ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายในวัตถุนั้นนั้นว่าเขาสร้างขึ้นมาส่วนมากในเขาใช้สั ญ, ญลักษณ์ของผู้ที่ทำแต่ความดีการมีวัตถุมงคลไว้ติดตัวก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาของตัวเองไม่ให้ประมาทในการกระทาของตัวต้องทาแต่ความดีเสมอ เพราะว่าโลกเคาบูชานับถือแต่คนดีเรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องทำแต่ความดีอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากวัตถุมงคล น, นั้นเมื่อเวลาลูกศิษย์มีความสงสัยว่าพระก็ดีเหรียญก็ดีที่หลวงปู่ทำพิธีแผ่เมตตาให้มีคนนิยมกันมาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงปูเ่เสกด้วยคาถาอะไรหลวงปู่ตอบคาถามแบบนี้ว่าที่กล่าวว่าแผ่เมตตาวัตถุมงคล น, นั้น ท่านไม่เคยปลุกเสกพระอะไรเลยเคยแต่สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในเกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกราบไหว้บูชาจะอธิษฐานเพียงแค่นี้ไม่มีคาถาสำหรับเสกให้ขังอย่างโน้นอย่างนี้แต่อย่างใดท่านก็ใช้บทที่ท่านเคยสวดเวลาที่พระสวดในโบทนั่นแหละเรื่องของ คาถาสวดนำ้ำมศการคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะท่านบอกว่าบทตี้หลวงปู่ท่านใช้เวลาสวดอ่าใช้สวดเนี่ยเวลามีพิธีแผ่เมตตาเกี่ยวกับการปลุกเสกเช่นพุทธาภิเศกซึ่งปัจจุบันก็ทํากันโดยทั่วไปทั้งเป็นงานราชงานหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ท่านให้ทัศนะว่าถ้าเข้าใจวิธีพุทธาพิเศก ไปปลูกเสกวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นมาสําหรับเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระพุทธเจ้านั้นนับว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านในเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระตั้งแต่เรายังไม่เกิดท่านเป็นพระพระพุทธมาก่อนพวกเราหลายร้อยหลายพันปีใครไปปลูกเสกวัตถุให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นับว่าผิดเราเองเป็นเพียงสาวกจะไปทําวัตถุซึ่งเขาสร้างเป็นสั ญ, ญาลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไง วัตถุที่เขาสร้างขึ้นนั้นสำเร็จเป็นพระแล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เขาสร้างเสร็จเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นรูปเหมือนกับรูปแทนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวัตถุนั้นเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วจะไปปลุกเสกให้เป็นพระอีกไม่ได้หลวงปู่ท่านเรียกพระพุทธรูปว่าพระบรมรูปท่านกล่าวว่าพระบรมรูปของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะทาสาเร็จขึ้นจากวัตถุใดๆท่านก็สาเร็จเป็นพุทธ ในความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะวัตถุนั้นเขาสมมุติเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงวัตถุเราก็กราบไหว้บูชาได้ด้วยความสนิทใ จ, จไม่มีวิชาคาถาอาคมใดๆที่จะมาปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้เพราะสำเร็จเป็นพุทธตามความหมายที่เราได้สร้างขึ้นแล้วที่เรียกกันว่าพุทธาพิเศษนั้นควรจะเรียกว่าพิธีสมโพธพระหรือพิธีนมัสการพระจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริง สำหรับการทำน้ำมนต์ก็ดีส่วนมากมักจะใช้บทมงคลจักรวาล น, น้อยสมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักท่านมากเหมือนปัจจุบันเวลาชาวบ้านเอาน้ำไปถวายขอให้ท่านเสกให้เช่นเวลาคลอดยากคนนั้นคนนี้จะคลอดหรือคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ขอให้ลวงปู่เสกน้ำมนต์ให้ด้วยบางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาท่านก็จะพูดบอกว่า เออเวลาอย่างนึงเขาก็ไม่บอกเราะนะเวลาจะคลอดก็ถึงจะมาบอกเราก็ทําให้ลาบากพระเจ้าพระสงฆ์เออแทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะนะเวลาท่านเสกน้ำมนต์ท่านก็จะเสกดังๆว่าภาษาบาลีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอา้าวหายโรคหายภายัยอายุมันแขวนยืนเออนี่เป็นคาถาหลวงปู่นะ หลวงปู่แหวนท่านช่วงบั้นปลายชีวิตร่างกายท่านอ่อนแอแล้วก็ซูซมอย่างหนักเนื่องจากวัยอายุล่วงเข้าเก้าสิบกว่าปีแม้ร่างกายสังขารจะถูกความชาราภาพคุกคามบั่นทอนแต่ท่านก็ยังปฏิบัติกิจบำเพ็ญธรรมเป็นปกติ ในห่วงเวลานี้บารมีธรรมของหลวงปู่แหวนเป็นที่เรื่องลือขจรกระจายไปทั่วประเทศศาสนิกชนนับจำนวนไม่ท้วนก็พากันหลั่งไหลมานมัสการกราบไหว้ท่านที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ไม่ขาดสายซึ่งท่านก็เมตตาแก่ทุกคนตามสมควรแก่กาละในช่วงเวลานี้ก็เหมือนกันพระอาจา ร, รย์หนูผู้ประถัก์ ตกเป็นกี้ปากของญาติโยมที่ปรารถนามากราบนมัสการหลวงปู่แหวนอย่างกว้างขวา ง, วางบางก็ว่าพระอาจารย์หนูกรีดกันไม่ให้เข้าพบหลวงปู่แหวนซึ่งพระอาจารย์หนูท่านก็อธิบายว่าการห้ามไม่ให้ศรัทธาญาติโยมเข้าไปรบ ก, กวนท่านก็เนื่องจากเห็นว่าท่านชาราภาพมากแล้วต้องการให้ท่านพักผ่อนเพียงลำพังแม้พระอาจารย์หนูจะยกเหตุผลดังกล่าวมาชี้แจงก็ยังได้รับคากระแนกระแหนอยู่เรื่อย วันที่13ามกันยายนปี2526หีหลวงปู่แหวนประสบอุบัติเหตุล้มฟาดพื้นห้องน้ำที่กุติวัดดอยแม่ปังอย่างแรงถึงขั้นกระดูกสะโพกด้านซ้ายแตกร้าววันที่ส4บสกันยาคณะสิทธก็พาท่านส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทย์ตรวจดูอาการพบว่ากระดูกแตกสามสี่เสี่ยงต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดด่วน เวลานั้นท่านมีอายุ96ปีแล้วในวันเดียวกันนั้นคณะแพทย์ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสะโพกโดยใช้หัวกระดูกโลหะใส่แทนกระดูกที่แตกวันที่28กันยายนคณะแพทย์ก็อนุญาตให้หลวงปู่แหวนกลับไปพักผ่อนที่วัดดอยแม่ปังได้วันที่4พฤศจิกายนอาการของหลวงปู่แหวนทุดหนักลงไปอีก มีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมอาการอพราชของหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังแล้วก็โปรดเกล้าให้แพทย์หลวงร่วมรักษาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทย์หลวงถแถลงอาการหลวงปู่แหวนว่ามีอาการอัมาพาตที่แขนซ้ายพูดไม่ได้กลืนอาหารลาบาก ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2527คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ส่งแพทย์ไปตรวจรักษาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ในายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยและนายแพทย์รุ่งธรรมรัดพลีเดินทางไปสมทบกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อถวายการรักษา วันที่ยี่สมีนาคมคณะแพทย์ตรวจพบว่าอาการขาดโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นและเห็นสมควรอรารัธนาหลวงปู่แหวนไปทำการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ดังนั้นจึงมีการนำหลวงปู่แหวนเดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชอีกครั้งแต่ท่านได้เป็นคนไข้ประเดิมตึกสุจินโนจากการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่าเนื้อสมองส่วนขวาส่วนหนึ่ง ไม่ทำงานสาเหตุเนื่องจากโลหิตไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนั้นจึงทำการรักษาจนกระทั่งมีอาการทุเลาขึ้นเป็นลำดับสามารถพูดได้เป็นคำๆหรือว่าพูดประโยคสั้นๆแขนขาเคลื่อนไหวได้วันที่11เเมษายนหลวงปู่แหวนออกจากโรงพยาบาลมหาราชเดินทางกลับวัดดอยแม่ปังนับแต่นั้นหลวงปู่แหวนก็อยู่ในลักษณะอาพาธตลอดเวลา ร่างกายอ่อนล้าหมดแรงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากจำเป็นต้องมีพระอุปัฏฐาผัดเปลี่ยนกันดูแลแม้กระนั้นหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้แสดงอาการเวทนาให้ปรากฏดวงตาแจ่มใสสงบเย็นคล้ายกับจะบอกว่ากายสังขารกับจิตใจมันแบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดกายสังขารจะเป็นยังไงก็ช่างมันปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่จิตใจเบิกบานแจ่มใสยอยู่ในธรรมตลอดเวลาปลายปี2527วันที่27ธันวาคมหลวงปู่แหวนมีอาการไข้และท้องเดินแพทย์ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแต่ต้องเจาะหลายครั้งเพราะเส้นเลือดแตกวันที่26มกราคมปี2528 พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าฟ้าจุฬาภรวรรัยรักษณเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่24กุมภาพันธ์2528เวลา16นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯราชาชกุมตยเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมอาการอาภาษของหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในอาการอาภาษของหลวงปู่แหวนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถวายน้ำมันบำรุงผิวแก้ผิวแห้งและอาการคันจนกระทั่งถึงเวลาย0สนาฬิกาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่ 14, ส4เมษายนปี2528หลวงปู่แหวนมีอาการไข้สูงและอุจจาระสีดำเข้าใจว่าเป็นเพราะโลหิตออกในทางเดินอาหาร คณะกรรมการแพทย์ผู้รักษาหลวงปู่แหวนได้ขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลลานนารับตัวหลวงปู่แหวนออกจากวัดดอยแม่ปังไปที่โรงพยาบาลมหาราชห้องไอซูตึกสูจินโนและห้ามเยี่ยมพร้อมจัดแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงวันที่4มิถุนายน2528คณะแพทย์ได้นำหลวงปู่แหวนเข้าห้องผ่าตัด เนื่องจากหลวงปู่แหวนมีอาการอาเจียนขณะสันอาหารแล้วก็มีอาการไอหอบต้องให้ออกซิเจนช่วยในการหายใจแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดหน้าทองใช้สายยางสอดเข้าไปในกระเพาะเพื่อให้อาหารคณะแพทย์ตกลงใช้ยาชาแทนยาสลบใช้เวลาผ่าตัดทั้งสิ้นสองชั่วโมงหลวงปู่แหวนอาพาธตลอดมาในช่วงหลังของชีวิตหลังจากผ่าตัดเพื่อใส่สายสา ย, ยางเข้าไปในกระเพาะอาหาร ซึ่งได้ผลในระยะแรกเท่านั้นเพราะต่อมากระเพาะอาหารเกิดอาการหดตัวเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะก็จะถูกขับออกมาเปาเปื้อนหน้าท้องทำให้หน้าท้องเป็นผื่นคันก่อนหลุงปูแหวนมรณาภาพเกิดอาการบวมและคันที่ผิวหนังบริเวณลำตัวโดยทั่วไปวันที่สองกรกฎาคม2528เวลา21สบอ็ดนาฬิกาห้าบสนาที พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนก็ละสังขารอย่างสงบที่สุดแห่งการประพฤติ ธ, ธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมิใช่ที่ลาบสการะสรเสริญหากแต่เพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอานิสงส์นี้สะท้อนให้เห็นชัดแจ้งจากดวงตาของท่านทีละสิ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงใสประดุดแก้วเจรไนที่สูงค่า เปล่งประกายฉายแววแห่งความเมตตาปราณีเป็นนิสที่ทอดมองมายัางสาธุชนทั่วไปก่อให้เกิดความอบอุ่นความรักความศรัทธาอย่างแรงกล้าการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่แหวนม่ใช่เพื่ออามิสบูชาแต่ที่กระทำและแสดงธรรมนั้นเป็นด้วยทานทิพย์แห่งเมตตาบนเส้นทางพุทธเพื่อความสะอาดและสว่างแห่งดวงจิตของมวนมนุษย์ การสวดพระอภิธรรมศพของหลวงปู่แหวนทำกันที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าภาพหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกวันและในวันที่26กันยายน2528ครับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชซึ่งให้การรักษาอาการอาภาษหลวงปู่แหวนจนกระทั่งท่านมรณาภาพก็เป็นเจ้าภาพมีผู้อำนวยการแพทย์และก็พยาบาลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครั้งการสวดพระอภิธรรมสิ้นสุดลงแล้ว มรณาโยกวัดดอยแม่ปังคือนายบุญชูบุญยริศก็ขอให้แพทย์และพยาบาลทุกคนที่มาร่วมงานนั่งทำจิตให้สงบพนมมือส่งจิตไปยังร่างของหลวงปู่แหวนที่อยู่ในโรงอุทิศกุศลถวายแล้วก็เป็นการสงบนิ่งไว้อาลัยไปพร้อมกันเวลานั้นนางมารีวันดำรงศักข์หัวหน้าฝ่ายบริการตึกสุจินโนก็ให้ในายสุพ์เอื้อไพโรธคนคุ้นเคยกันก็เอากล้องถ่ายภาพของเธอไปช่วยบันทึกภาพการ นั่งไว้อะไรครั้งนี้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับนางมะรีวันก็นําฟิล์มไปล้างที่ร้านถ่ายรูปพออัดภาพออกมาก็พบภาพประหลาดอยู่ภาพหนึ่งเป็นเงาขาวยืนถือไม้เท้าลักษณะเหมือนกับหลวงปู่แหวนเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เมื่อกลับไปดูที่ที่ถ่ายภาพก็พบว่าตรงบริเวณที่ปรากฏภาพหลวงปู่แหวนก็ไม่มีที่ที่ใครจะไปยืนอยู่ได้เพราะว่าวางของไว้เต็มไปหมดตั้งแต่ตั้งศพใหม่ๆ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้ประโคมภาพข่าวนี้อย่างเรียวกลาวแล้วก็ติดตามไปสัมภาษณ์นางมาริวันดำรงศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของฟิล์มบอกว่าตอนถ่ายภาพก็ไม่รู้สึกผิดประหลาดแต่อย่างใดแต่พอล้างภาพออกมาแล้วก็มองเห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาขอดูฟิล์มเพื่อจะดูว่ามีการทำอะไรให้ผิดปกติในระบบการล้างอัดขยายหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบนางมารีวันก็บอกว่าเป็นความเมตตาครั้งสุดท้าย หลวงปู่แหวนมีต่อพวกเราเหมือนตอนที่ท่านเข้ารักษาอาการอพาชาที่โรงพยาบาลมหาราชนั่นเองแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กายทิพย์ของหลวงปู่แหวนปรากฏให้ผู้คนได้เห็นซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดนอกเหนือไปจากการปรากฏกายทิพย์เมื่อวันชาปน ก, กิจศพคุณแม่ด้วงที่สุสานประตูหายยาผิดแต่ว่าตอนนั้นท่านยังมีชีวิตมีสังขารอยู่เท่านั้นเองคือเรื่องของคุณแม่ด้วงเนี่ยครับเมื่อครั้งที่ หลวงปู่แหวนยังไม่ได้มาจำมันษาที่รอยแม่ปังท่านอยู่ที่บ้านปรงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านปรงช่อแลคือสถานที่ที่หลวงปู่แหวนจำมรรษาคุณแม่ด้วงเศรษฐีชาวลาวที่อพยพมาทำไม้อยู่ที่บ้านโปรงช่อแลเนี่ยมาเป็นโยมอุปถัก์หลวงปู่แหวนเพราะเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เอาลูกชายคนสุดท้องมาบวชฝากให้หลวงปู่แหวนอบรมที่วัดบ้านปงอีกด้วย ต่อมาคุณแม่ดวงก็โอนกิจการปางไม้ทั้งหมดให้ลูกๆดูแลลูกๆ ก, ก็ย้ายจากบ้านป่งมาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่คุณแม่ดวงก็ตามลูกมาอยู่ด้วยกันแต่ยังคงจัดส่งสํำรับไปถวายหลวงปู่แหวนทุกวันพระเหมือนเคยด้วยความศรัทธาเมื่อหลวงปู่แหวนย้ายจากบ้านปงมาวัดดอยแม่ปังคุณแม่ดวงก็ยังจัดสํำรับมาถวายในวันพระเป็นประจำต่อมาคุณแม่ดวงป่วยเป็นโรคชาราลูกๆ ก, ก็นําส่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพื่อรักษา แต่อาการของคุณแม่ดวงก็ซุดลงก่อนจะถึงแก่กรรมก็สั่งเสียลูกๆไว้สองข้อคือหนึ่งให้นําพัฒนาหารไปถวายหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังทุกวันพระอย่าให้ขาดเหมือนกับแม่ดวงยังมีชีวิตอยู่สองเมื่อจะชาปน ก, กิจศพให้นิมนต์หลวงปู่แหวนมาร่วมงานด้วยแม่จะได้นอนตายแบบสงบสุขเมื่อคุณแม่ดวงถึงแก่กรรมแล้วลูกๆก็จัดงานศพอย่างสมเกียรติและกําหนดชางานชาปน ก, กิจศพที่สุสานประตูหายยาตามแบบล้านนา กำหนดวันที่31มีนาคม2519เวลา17บเนาฬกาลูกชายของคุณแม่ดวงขึ้นไปดอยไปนมัสการหลวงปู่แหวนแล้วก็นํากําหนดการชาปน ก, กิจศพไปถวายหลวงปู่แหวนแล้วก็บอกว่าคุณแม่ดวงสั่งไว้ก่อนตายให้นิมนต์หลวงปู่แหวนไปร่วมงานตอนนั้นหลวงปู่แหวนได้อธิษฐานจิตแล้วว่าจะไม่ลงจากดอยไปไหนอีกเพราะสังขารน้องท่านชราภาพมากดังนั้นหลวงปู่แหวนก็เลยบอกกับลูกชายคุณแม่ดวงบอกว่าคงจะไปร่วมไม่ได้ แต่เมื่อรู้วันและเวลาแล้วจะนั่งแผ่เมตตาไปให้เพื่อดวงวิญญาณคุณแม่ดวงจะได้ไปสู่สุคติจะให้พระอาจาร์หนูจเจ้าวาดวัดดอยแม่ฝังไปเป็นตัวแทนของปู่ในการทอดผ้าตายบังสกุลงานก็ดำเนินไปตามประเพณีทุกประการจนประธานในพิธีจุดไฟเป็นประถมะเมื่อเลิกแล้วช่างดอกไม้ไฟก็จุดดอกไม้ไฟตามประเพณีงานศพแบบลานนาจะมีการจุดดอกไม้ไฟ รอบรอบเมรุชั่วคราวที่ทำการชาปนกิจศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายช่างที่ทำดอกไม้ไฟจุดลูกหนูให้วิ่งไปจุดชนวนดอกไม้ไฟปรากฏว่าหน้าแตกเพราะว่าแทนที่ดอกไม้ไฟจะแตกออกเป็นหลากสีกลับออกเป็นสีเหลืองสีเดียวทำให้บรรยากาศรอบเมรุมีสีเหลืองทองงามระยับไฟที่ประชุมเพลิงลุกขึ้นที่หัวโลงของคุณแม่ดวงจากเปลวไฟจานวนน้อยก็ลุกขึ้นเป็นจานวนมากและเปลวไฟนั้นเอง ในเปลวนั้นก็รวมตัวกันเป็นภาพที่เมื่อถ่ายภาพไว้แล้วนำไปลางปรากฏเป็นรูปคล้ายพระภิกษุนั่งสมาธิเอียงคอไปด้านหนึ่งเป็นภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพที่ว่าจ้างมาถ่ายในงานนี้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาดูลักษณะของเปลวไฟนั้นเทียบกับภาพของหลวงปู่แหวนในอิรยาบทนั่งจะพบว่าใกล้เคียงกันมากและฟิล์มที่ถ่ายได้ก็ไม่ปรากฏว่ามีความผิดปกติแตอย่างใด เจ้าภาพเชื่อกันว่าเมื่อตอนมานิมนต์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนลงจากดอยมาร่วมงานชาปน ก, กิจศพแต่หลวงปู่แหวนลงมาไม่ได้ได้บอกว่ารู้กําหนดการและเวลาแล้วจะแผ่เมตตาไปให้เป็นไปได้หรือไม่ว่าการแผ่เมตตาของท่านก็คือการถอดกายทิพย์จากยอดดอยลงมางานศพศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจา ร, รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถินโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสัมมาเนณที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจา ร, รย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์ 084-643-8770 ครับครับ